ยรนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาว่าเช่นเคยเราจะเริ่มต้นที่เด็กๆ ก, ก่อนเพื่อเด็กจะได้ไปนอนกันไม่ต้องอยู่เดึกเกินไป เด็กคนแรกก็คือน้าคุณอยู่โตกเดียวน้าคนได้ยินไหมได้ยินเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบนมามัสการพระอาจาร์าแล้วค่ะยังซอนอยู่เปล่ายังยังเหรอยังซ้อนอยู่แล้วโดนเพื่อนกวนหน้ามาค่ะพระอาจาร์วันนี้เขาบอกเตะทะเลาะ ก, กันค่ะเด็กเขาเรียนโรงเรียนนา น, นาชาติต่างคนก็สื่อสารกันไม่ได้ก็เลย ไช่แรงตีกแย่งของกันมั้งคะเลือดเลยใช่ภาษาหมาก็แหลักภาษาหมาค่ะอันนี้ก็ยืนให้เขาทําค่ะฮากลับเลยวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากนั่งสมาธิให้พระอาจารย์ดูค่ะเมื่อวานก็นั่งได้ถึงยี่สิบวินาทีเลยค่ะเขาบอกว่าวันนี้เขาจะให้ดูให้พระอาจาย์ดูให้ได้เลยนั่งหลับตาดู อลับตาพระอาจารย์บอกอพุโทโธไปนะต้องยนนั่งเฉยๆธพุทโธพุโทโธพุโทพโธไป อ, อย่าขยับตัวสินั่งสมาธิไม่ให้ขยับตัวพุโทโธพุโทโธพุทโธต้งพุโทโธพุโทโธพุทโธไปได้กี่นาทีได้กี่วินาที ได้เท่าไหร่สีอ๋อได้สิบสี่อ๋อสิบสี่โอเคอ๋อสิบสี่โอเคไหมนะอนับไปเดี๋ยวอาจารย์นับให้อ๋อนับไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่าอาจารย์ต้องถามคนอื่นต่อลูกเดี๋ยวเรามานับกันนะวันนี้น้องคุณอยากมาน่าให้พ่ออาจารย์ดูก่อนไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับโอเคโอเคค่ะอาที่นี้ อหยาะนั่งเองเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าเจ้าจย์นับให้หนูหน่อยนับให้ถึงยี่สิบี่นะหนูจะนั่งขวาทับไซ้ายขวาทับซ้ายใช่ไหมอ่าดีปึกไว้ตอนเด็กอันนี้เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ดีใจมากเลยค่ะอาทิตย์นี้ซอฟลงได้อืมดีไวก็ค่อยๆลงลองอ่นะอย่าไปทุกข์กับมันขึ้นก็ไม่ตกใจองก็ไม่ต้องเสียใจไมนขับรถขึ้นเขาลงห้วยไป ค่ะมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดนทางพ่อเขาให้เชิญให้ออกจากบ้านก็ยังยังเฉยๆแบบไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็เตรีย ม, มที่เตรียมอะไรแล้วแค่แบบอ้อมันมาแล้วเนาะก็ก็เตรียมใจรับอ่าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เดือดร้อนนะั้นใช่คนเราเปลี่ยนแปลงง่ายอนี่จ่าไ่เทียงนะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะมีคําถามมาค่ะ นั่งสมาธิอะนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเวลา เ, าเข้าไปแล้วแล้วพุโทโธมันหายไปแล้วตามลมหายใจอยู่ทีนี้มันเหมือนมีแสงหรือว่ามีลูสว่างอะไรก็ไม่ทราบเราควรจะกลับไปตามพุโทโธต่อหรือว่านั่งดูลมหายใจต่อไปคะดูลมก็ได้แต่อย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปตามเรารู้อยู่กับนอมต่อไปอย่างเดียวอ๋อคือเราไม่ต้องกลับไป ไอพุทธโทใช่ไหมถ้ามียอมก็ใช้แทนกันได้ค่ะแต่ถ้าจิตมันไม่มันไม่ยอมอยู่เฉยๆมันมันเรื่ก็จะกลับไปหาพุทธโทเลยออ่ า, <c oughs> อาเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนอ่าโอเคค่ะว่ะอาจารย์เดี๋ยวไม่ขัดต่ออาทิตย์หน้าก็ได้ค่ะถ้าดูลมได้าก็ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้สนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพรวมภาพหลอมไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ อ๋อค่ะเพราะว่าอตอนตอนแรกก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าสติมันมันมั น, มนหลุดหรือยังไงหรือว่าหรือว่ามันเป็นแสงอะไรก็ไม่แน่ใจแต่หนูก็ยังตามลมอยู่นะคะว่า ย, ยังยังลังเลว่าคุณควรจะกับพุทโธหรือว่าลมดีนะหมายถึงออกมาแล้วนะคะถึงมานั่งคิดว่าจะตามยังไงดีนะมีพุทโธก็ได้มีลมก็ได้แทนกันได้แทนกันได้ อ่อไอ้แสงหรือว่ารูช่องอะไรนั้นคือมันเป็นมันเป็นจินตนาการเปลี่ยนแต่งขึ้นมาวันนอขึ้นมาอ๋อคือบางครั้งมันก็ขึ้นบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีบางครั้งก็ก็เงียบหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆปุยมันไม่เทียมมันไม่เทียมไม่จ้าไม่เทียมอ๋อค่ะพระควบคุมบางครั้งมันไม่ได้มันจะมาจะไปก็เป็นเรื่องของเป ค่ะก็ให้เราตามถ้าเราตามลมอยู่ก็ตามลมต่อถ้าผุดโผล่อะไรก็ขึ้นมาก็าอย่าไปสนใจมีรูปมีภาพมีแสงมีสีอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจอต้องการความว่างการ้อนั่งไปยันกว่างใจจะว่างอจาจะนิ่งจะสงบนั้นจะมีความสงบอืค่ะพระอาจารย์น้อมรับค่ะจะนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อ่า อ่าบาที่จะมจ่าอ่าดี่จามจ่าที่เราดูมาสการพระจันทร์ครับอ่าวันนี้สองการบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่ามามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมกความตายเปไม่ได้เราจะแล้วเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระพาดาของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทยายาทคือว่าเราจะต้องไล่รำผลนของกรรมนั้ น, น, นสๆไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวั น, ว, นวันเถอดต้องพิจารณาจริงๆนะต้องสมมติขึ้นมาถ้าเราเจ็บใข้ได้ป่วยเราจะทํำยังไงจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราต้องจากคนนั้นจากคนนี้ไปเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ทํำใจได้ไหม จะได้ครับได้แล้ไม่เท่าสศกเสียใจได้ไหมได้ครับอ่าเท่าโศกเสียใจก็ไม่ได้ฮะก็ไม่ได้กลับมาอยู่ดีถ้าพขไปแล้วเขก็ไปเลยครับอรัะต้องคินด้วยนะไม่ใช่เท่าเฉยๆเท่าเฉยๆมันเหมือนมันเหมือนนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋ากแก้วให้มันมันก็เขี่ยทิ้งเขียดทิ้งวันจันทรตะกล้วยอ่าต้อง ตเต้องเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราท่อง uh huh. มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา uh huh. uh huh. ต้องพยายามฝึกสอนใจต้องไม่ทุกข์ uh huh. ต้องไม่เศร้ากับอะไรนะครับ uh huh. uh huh. ถ้าเศร้าแสดงว่าไม่มีสมาธิต้องไปฝึกสมาธิคโอเคร่างกาของเรามีอะไรบ้าง มีผมคนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยีนในกระดูกม้าหัวใจตับขั้วพืชนไต่ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหานก่าเยอะในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือน้ำเนื้อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลน้ำลายน้ำมูกน้ำขวข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำขวข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลน้ำตาลน้ำมันขน น้ำเหงื่อน้ำเลือด น, น้ำเหลือก น, น, น, น้ำเสลน้ำดีเพื่อในที่สมองสีษะอาหารเก่า อ, อาหารใหม่ใส้น้อยใช้ใหญ่กอดไตของพืชกับหัวใจมาเมี่ยงในกระดูกกระดูกเอ็นเนืเน้อนหนังฟนไฟเลี้ยงไมีาารครับ ในร่างกายนี้ไม่ไม่มีเราอยู่เลยใช่ไหมครับแล้วเราทําไมไปว่ามันเป็นเราอ่ะอะ่มันขาดกันไหมครับอ่าต้องต้องดูให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเรามันไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไระก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้เป็นไปกับมันครับครับอ่าเราเป็นผู้มาใช้ร่างกาย มาเป็นยูเซอร์ร่างกายเป็นเหมือนนดยอนอ่ามันเป็นอะไรก็นักษาเป็นอะไรดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยมันเป็นไปอย่าไปทุกข์กับมันครับครับเราไม่ได้เป็นร่างกายนะจำไว้นะรเราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นอินวิซิเบลแมน เป็นผู้รู้ผู้คิดใช่ไหมใช่ครับผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใช่ไหมใช่ครับเราเราไม่ต้องไปตกใจกลัวกับว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรนะครั บ, อรบโอเคมีอะไรไหมวนันนี้มีอะไรจะถามมีไหมไม่มีครับไม่มีครับอ่คุณแม่มีได้บ่า ไม่มีค่ะหนูก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกทุกวันนะคะพุโทโธตั้งแต่หลับจนตื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บรรนาวุธสติทุกวันเรวใจมันก็คราย <c oughs> นั่งสติ น, ส น, สนะนั่งสมาธิครับจิตสงบใช่ค่ะแล้วก็พิจารณาความตังแล้วมันก็ค่อยๆ ค, คลายสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นนะมัน ค, อค่อยๆปล่อยข้างในค่ะมันมันรู้ได้ตัวเองค่ะพระอาจารย์หนูเข้าใจคำว่าปัจจตังเลยค่ะว่ามันมันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่ เรารู้ข้างในความรู้ที่เราท่องความรู้ที่เรารู้ข้างในไม่เหมือนกันค่ะใช่แล้วมันไม่ลืมอะค่ะรู้ครั้งเดียวเราไม่ลืมใช่อืมออย่าไปทุกก์กับอะไรนะมันทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวโอเคไม่ทันเลยนะค่ะกระดาษเปล่าคุณพระจาระครับอ่าไปตวันฮอลแลนด์ยูฮอลแลนด์ตะวัน ขอบคุณแม่ครับงงมีอะไรจะถามไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามครับเอี่ยนั่งสมาธิอยู่เปล่าครับนั่งสมาติชิบห้านาทีสั่งการในหนึ่งวัครับอยากจะนั่งเพิ่มไหมจากสิบห้าเป็นยี่สิบดีไหมก็ได้ครับอต้องพัฒนานะต้องเพิ่มไปเรื่อย <laughs> เรานั่งต่ อ, อยค่ะอีกห้านาทีถ้ามันอยากจะลุกก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าเพิ่งลุกอ่ามีคําถามอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับอืมคุณแม่ละอ่าพระอาจารย์คะโยมมีเรื่องที่จะเล่าให้พระอาจารย์ฟังต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุยเรื่องอสุภะนะคะพระอาจารย์อืม คื อ, อที่โยมเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าตอนที่โยมไปปฏิบัติที่วัดป่าหนองแซงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่โยมเห็นอสุภะตอนนอนนะคะทีนี้ว่าอสุภะที่ที่เห็นเนี่ยที่ว่าเป็นภาพโสมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าการปฏิบัติของโยมนะคะแต่เป็นเพราะความเมตตาของลุง ป, ปุกเสนท่านนะคะแล้วก็ท่านให้อ่อข้อธรรมะโยมมาอันนี้คือโยมสามารถเล่าให้ฟังได้ไหมคะพระอาจารย์ก็มันเกี่ยวกับปัญหาอะไรแล้วปา มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะค่ะเพราะจะมันเป็นปรกกากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะอืมค่ะอืมแล้วชั้นๆหรือว่ามาชั้นๆเลยชั้นๆก็ก็คือตอนนั้นโยมไปอ่าปีที่แล้วโยอมไปใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อไปลองไปปฏิบัติ ด, ดูอะค่ะแล้วก็เอ่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอ่าโยม ก, ยก็ก็คือเป็นครั้งแรกที่โยมได้แบบเอ่าอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็ เออยู่ห้องคนเดียวแบบไม่มีใครอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็แล้วก็ประมาณสักโยมก็คือ ร, รีบรีบปิดไฟเข้านอนนะคะพระอาจารย์แล้วก็ประมาณเประมาณประมาณห้าทุ่ะค่ะพระอาจารย์ก็คือหลับไปแล้วแล้วก็ในฝันก็คือโยมเห็นเป็นหน้าศพอะค่ะเป็นเป็นภาพศพก็คือเป็นภาพขึ้นอืดใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนตาเป็นสีขาวเป็นเป็นหน้าเป็นตามันจะเป็นสีขาวแล้วก็ถลนออกมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เป็นผิวสีค้ำค้ำเหมือนคลื่นอื่นแล้วก็มีลิ้นจุก ป, ปาค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นโยมก็คิดแล้วค่ะว่าน่าจะเป็นผีมาทดสอบอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โยมก็คิดอย่างเนี้ยค่ะน่าจะเป็นผีมาลองดีอะไรแบบนี้ค่ะโยมก็เลยตัดสินใจก็คือภาวนาพุดโธพูดโธไปเรื่อยๆค่ะว่าโอเคถ้ามาอีกก็จะพูดโธใส่แล้วนะแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็คือหลับจนถึงเช้าก็ไม่มีอะไรขึ้นมาค่ะอาจารย์ทีนี้ตอนเช้าโยมอ๋อโยมเดินไปที่ศาลาใช่ไหมคะที่ที่ศาลาที่โรงครัวค่ะ แล้วก็เห็นหลวงปู่เสด็จท่านกวาดมือเรียค่ะพระอาจารย์แล้วก็ท่านก็ถามว่าเอาเมื่อคือนนอนหลับเป็นยังไงบ้างโยมก็เลยเล่าให้ให้หลวงปู่ท่านนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้นะโยมก็เลยถามท่านไปตรงๆว่าอันนี้เป็นเป็นผีเข้ามาท้าทายหรือเปล่าคะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าใช่เขามาท้าทายโยมก็ถามหลวงปู่ต่อว่าหลวงปู่คะแล้วเขานี่คือใคระคะหลวงปู่ท่านก็ตอบท่านก็ยิ้มๆนะคะแล้วท่านก็บอกว่าก็หลวงปู่นี่แหละ แล้วท่านก็ก็ยิ้มหัวเราะอะค่ะแล้วท่านก็ก็สอนโยมบอกว่าให้เอาตัวนี้แหละเป็นเป็นเป็นเป็นอารมณ์แล้วก็ให้ให้มีเมตตาแล้วโยมก็สงสารโยมก็เลยถามท่านว่าแล้วอแล้วถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐานตัวอื่นอยู่อย่างเช่นว่าอ่อมชอบกุโธโยอมนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพันนิพันแบบนี้ค่ะจะให้โยมจะให้จะให้โย ม, โยมทิ้งตัวนี้แล้วมาเอากรรมฐาน อาสุภาษิตตัวเดียวไม่คะหรือว่าให้ใช้ควบกันได้ลุงปู่ท่านก็บอกว่าให้ใช้ควบกันได้ค่ะแล้วก็แล้วก็ท่านก็เมตตาบอกว่าเยกตัวอย่างบอกว่าเหมือนเวลาที่สร้างบ้านแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้าทําฐานเสร็จแล้วปุ๊บทําฐานอะไรแล้วก็ต้องขึ้นโครงขึ้นหลังคาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนกับตอนตัดต้นไม้ค่ะถ้ามีมีดเอมีเดเล็กๆมาตัดแล้วปุ๊บต่อไปก็ต้องใช้ขวานใช้เลื่อยมาตัดแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ อันนี้ก็คือเป็นเป็นธรรมะที่ที่ที่หลวงปู่ท่านให้แล้วก็ทำให้โยมเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะเริ่มมาสนใจในเรื่องของอ่การอ่าการพิจารณาสุภาษณะผาจารย์ค่ะอ่าสุภาภาพที่เราเห็นนี้เราควรที่จะมอามนึกถึงอยู่บ่อยๆ่อยค่ะเวลาเราเห็นหน้าใครเห็นหน้าลูกเห็นหน้าสามเก็คิดถึงเวลาที่เขาตายเขาหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ <ช>คิดถึงค น, คนที่เรารักเราโ่วงใ้ายก่อนเพื่อเราจะได้ยอมรับความจริงของร<ช>่างกายของเข า, าสักวันหนึ่งร่างกายขเขาก็ต้องเป็นซากศพไปของเราด้วยร่างกายของเราด้วยของกอ็เดินด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องทางปัญญา<ช>แต่ถ้าเวลาเราต้องการทำสมาธิเราจะใช้มันแบบเพ่งดูรูปเฉยๆก็ได้ถ้าเราเพ่งได้ ถ้ามันไม่ไม่ได้ก็กลับมาใช้พุทโธก็ได้วเวลาทําสมาธิเราต้องการจะหยุดคิดอย่างเราทำปัญญาเราต้องคิดให้มันกว้างเป็นวกว้างให้มันแผ่ไปให้มันกระจายไปถึงทุกคนทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นก็ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเราเวล า, เร า, เ, ราเราทำเราทำอะไรทําสมาธิ ถ้าช้อาสุาพะก็ได้เพียงแต่เพ่งดูภาพอนั้นในใจนึกถึงภาพในใจนั้นแต่ไม่นอกคิดถึงคนอื่นของใครนี่แต่ให้อยู่กับภาพนั้นภาพเดียวค่ะจากสัญญาตอนแรกมันจะกลายเป็นปัญญาใช่ไหมคะพระอาจารย์ตอนแรกมันจะเป็นสัญญาก่อนเรต้องคิดบ่อยๆใจก็ได้มันไม่ลืมถ้ายังลืมอยู่เป็นสัญญาอยู่ค่ะโยมก็พยายามคิดกลับไปกลับมานะคะพระอาจารย์ ว่ามันมันมันมันเหมือนศพแล้วมันศพยังไงมันมาจากไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทําไมตอนที่ที่มีลมหายใจทําไมมันไม่นึกถึงศพจริงๆมันก็คือศพค่ะอาจารย์แค่พอไม่มีลมหายใจปุ๊บมันก็เป็นศพทันทีกําลังเกียจขึ้นมาทันทีแบบนี้ยค่ะอาจารย์นั่นแหะมันก็มีไว้สําหรับเวลาเราไปรักร่างกายกายก่ให้นึถึงเวลากายเป็นซากศพไปอืมไม่ใช่ไหมไม่เราไม่ไม่รักไม่ไม่ห่วงค่ะอาจารย์ ตอนโยมหน้าที่โยมคือโยมซักผ้าใช่ไหมคะทางบ้านก็คือโยมแบบว่าเอาเอาเอาชุดของคุณมากโกงเงี้ยมาดมอะค่ะอืมเอาชุดมาดมปุ๊บ ก, ก็เลยแต่ทําไม่ได้บ่อยทําแค่นิดเดียวก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะพระอาจารย์มันข่มคอไปเลยหมดอืมไม่กล้าทําต่อคะอ่ะอาจารย์อืมเดี๋ยวนอ น, นอกับเขาไม่ได้นะทำต่อไม่ได้ <laughs> เป็นแบบว่าเห<ำ>็จะ๊กภาพคือต้องมีกลิ่นมาด้วยค่ะะอาจารย์อืม ทั้งภาพทั้งกิ่นก็ต้องก็ต้องดูว่าเราพร้อมที่จะไม่นอนเขาหรือเปล่าถ้าเรายังถ้าเรายังต้องนอนเขาอยู่ก็อย่าไปนมมากเกินไปอย่าไปคิดนึกถึงกิ่นมันมากเกินไปแต่ถ้าเราเกิดมาถือสินแตกมบวชเชียร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเล็กไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครกิ่นก็เหมือนกันนะค่ะมันเป็นยาต้องรู้ว่าเวลาใช้มันเราต้องการใช้ตอนที่เราไม่ต้องการจะเสก เสพกามแล้วว่ต้องใช้ตัวนี้นี่ตามันอยากจะเสพกามแต่ถ้าเรายังต้องทําหน้าที่เป็นแม่บ้านอยู่เราก็อยากไม่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาค่ะแต่กับกับสามีโยมก็คือมันไม่ได้รู้สึกผิดอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ถามว่าเวลามันรู้สึกเออ่มีการกําหนังขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็รู้สึกทุกข์นะคะพระอาจารย์แต่มันไม่รู้สึกผิดแต่ถ้าไปไปเจออเ อ, อ ข้างนอกที่แบบถูกใจอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกผิดแล้วก็โยมก็รีบใช้อสุภะที่ ท, ที่ที่เคยฝึกที่แบบเป็นรูทวานของบิณฑ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันก็มันก็มันก็ระงับได้ค่ะพระอาจารย์มันก็มีสองระดับระดับที่เป็นศี ล, ลนะถ้าเราถือศีลแล้วศีลห้าเราก็ยังร่วมหลับตอนกับสามีได้เอาไว้นะก็ไม่ผิดแะถ้าเราถือศีลแปดนะมันไม่ร่วมหลับนางเขาไม่ได้นะถ้าจะเป็นร่วมหลับนางก็ผิดละค่ะ มันง่าแต่ว่าอยู่ในระดับไหนค่ะแล้วก็อย่างอย่างเวลาบางทีร่างกายมันรู้สึกแบบเมันมันรู้สึกอยุบยับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนั้นคือมันก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมโนไว้นะคะมันรู้สึกในร่างกายโยมก็ใช้วิธีแบบว่าเอตอนเนี้ยมันมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาแล้วก็คือเหมือนมันรู้ทันมันปุ๊บ ก็คือว่ากลับมาอยู่ที่ลมหายใจที่พูดโธแล้วก็โอเคไม่ต้องไปสนใจมันก็ปล่อยแล้วมันก็จะหายไปเองเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามันมีตัวมโนเข้ามาอันเนี้ยอันนี้รู้สึกว่ามันจะจะจะจทรมานหน่อยค่ะพระอาจารย์อันนั้นก็คือโยมก็ใช้อสุภาพยายามคิดภาพตามมาค่ะพระอาจารย์บางทีมันเป็นความรู้สึกเวทนาทางกายอย่างเดียวโดยไม่มีมโนภาพแต่บางทีมันก็มาทั้งอามโนมาก่อนปุ๊บแล้วมันก็ความรู้สึกทางกายมันมาแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะ กเราพยายามระ ง, ง, งับ ด, ดับมันไปให้จิตกลับมาเป็นปกติให้ได้ครับ้วกนค่ะมีมีแพ้มีชนะค่ะพระาอาจารย์ยังมีแพ้มีชนะก็ต้องฝึกไปไเรื่อยๆจำไปไเรื่อยๆยังเป็นสัญญาอยู่บางทีก็จําได้บางทีก็ลืมใช่ค่ะว่ะาอาจารย์เหมือนเหมือนต้องบังคับให้มันคิดมันไม่ได้แบบอัตโนมัติะคะ่ะพระอาจารย์อ่ามันยังไม่ฟังในใจตลอดเวลาค่ะแล้วก็ยังยุบ แล้วก็โยมได้ยินข้อธรรมที่ว่าเหมือนเหมือนผลไม้ที่ว่ามันมีถ้าสมมติว่าคนเขารู้ว่ามันมีหนอนมันเน่าในอย่างเนี้ยเขาก็ไม่หยิบมาประทานอันนี้มันก็เหมือนกับร่างกายของคนเราเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้ค่ะก็เห็นเห็นว่าภายใต้ผิวหนังเยอะไรก็ไม่มีใครอยากให้เข้าไปค่ะแต่มันมองไม่เห็นมันเป็นหนังคุ่มออกให้บังไว้อยู่ถึงต้องใช้ปัญญามามาแกะหนังออกไป เห็นแบบที่เด็กเด็กเขาต้องอาการา32นะค่ะอืมค่ะว่าพยายามคิดไปบ่อยแล้วก็อย่างที่บ้านโยมจะใช้ถุงไบโอค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าถ้าใส่ของพวกขยะเปียกอย่างเงี้ยมันก็จะซึมซึมออกมาทางทางถุงนะคะพระอาจารย์อันนี้คือเหมือนแบบเหมือนหนังฝนเปียกเลยค่ะพระอาจารย์อืมก็ดีเองค่ะนื้อใหมๆเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชํานาญขึ้นไปเองค่ะ โอเคนะะแต่ก็ต้องระวังถ้าเกิดมันไปถึงขั้นที่เกิดถึงขั้นที่กอดเกลียดเกลียดร่างกายทั้งหมดก็ต้องหยุดแล้วพิจารณาเกินไปพิจารณาเพื่อหยุดการมลาครับไม่ได้พิจารณาเพื่อเราไปกอดเกลียดใครสาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่ายังยังไม่ถึงอาจารย์ท่า น, นก็ต้องหยุดน้อพิจารณาเมตตาแทนเมตตา ก็ก็โยมไอตัวขูกโกรธรู้สึกมันลดมันมันลดลงอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าใช้หลักอา น, นาตาแล้วก็มองความจริงที่เขาเป็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะทุกข์กับเรื่องเรื่องตัวการราคาตรงนี้ค่ะอาจารย์อเราใช้อสุปานี่มั น, นยังยันได้แล้วค่ะโอเคถ้าขอไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ปีเตียนเท่านี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่นะทุกข์อไปที่กุมารพิเชษเจนกุมาร ตามพิธีการป้าอาจารย์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโยอมได้มีโอกาสอยู่บ้านคนเดียว<ม>จึงได้ตั้งใจรักษาศีลแปดตลอดทั้งเจ็ดวันครับ<ม>ได้น้อมนำค ร, รสั่งสอนของ้าอาจารย์มาปฏิบัติในการสำรวมอินทรีย์ทั้งห้าและบันเจริญสติสมาธิปัญญาตลอดทั้งวันทำให้ได้สัมผัสถึงความสงบในการปฏิบัติเจตตภาวนา ได้มากขึ้นกว่าตอนที่รักษาศีลนะครับพระอาจารย์ mm hmm. จะมากับเยี่ยนพระอาจารย์ครับว่าดีพยายามหาเวลาปฏิบัติให้ให้มากขึ้นอย่างเงต่อไปมันอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวไม่อยากจะไม่ทําอะไรนะถ้าทำอะไรมันไม่ม mm ี hmm. คนมีประโยชน์เมือนการปฏิบททนะัติธรรม น, นั่นก็ในลำบากนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบาย การเรียนจบวิชาทางด้านจิตใจครับอาจารย์ก็เป้าหมายของการเรียนจบก็เพื่อกำจัดกิเลสทารหาถ้าในระดับของพระอริยก็สังโยชนิสิทประการที่เป็นตัวผกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพเพราเปี่ยวเราต้อง ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือต้องมีศีลมีสมาธิศีลแปดสมา ถ, ถึงยันได้สมาธิก็ในระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานสี่ถ้าเรามีฌานสี่จิตเราก็จะมีกำลังสู้กับสัมโยชน์ละสังโยชน์ได้สังโยชน์ก็คือตัวที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา มันพิจะรณ้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ในน้ําลมไฟใจมันเพียงแต่ผู้มามาเกาะมาติดอยู่แล้วก็ใช้ร่างกายไปตามความอยากเมื่อใช้ร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพรมันแก่มันเจ็บมันตายก็จะทำให้ใจทุกข์เพมาะไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรา เราก็ต้องนรับเราก็ต้องปล่อยวางว่าเมตตตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติดินน้ำลมไฟมันมาเนี่ยมันก็ถึงเวลามันก็ต้องแยกทางกันไปเราผู้ใช้มันก็ต้องปรับใจให้รับกับเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเราใจเราก็จะไม่ทุกข์ก็จะละสัมโยชน์ได้แล้วก็ไปนั่งสองตือนนัการบาราคาต่อ อ่าใจยังยังมีครับถึงแม่ยังถึงแม่ไม่ยึดติดกับร่างกายแต่ก็ยังใหลหลงรักยังชอบร่างกายของผู้อยู่ที่ที่น่าดูหน้าชมอยา ก, ากอยากหาความสุขอยากการร่วมหลับนอนกับเขา <c oughs> แล้วก็มันพิจารณาสุภาพยอย่างกระทั่งมันเอไม่มีไม่มีอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกับเขานั <c oughs> ก็ไปสังโยที่เหลืออีกห้ตัวสังโยน้องบน ก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องจิตล้นๆแนละ้วแต่นี้มันได้เกี่ยวกับร่างกายก็ดูว่าตายลับในในจิตนะจิตไม่มีตัว ต, วตวนแต่มันก็ยังไปหลงกิเลสก็ยังไปสร้างตัวตวนขึ้นมาในมารดาอยู่จิตมันก็ยังแปรปรวนอยู่ความสุขที่ได้จากความสงบ ข, ของฌานมันก็ยังไม่เที่ยมเวลามันเสื่อมมันก็ทําให้ทุกข์ถ้าไปยืดไปติด ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดความสุขของของจิตในรูกปญักปญญาอารูณปัญญาแล้วก็หยุดความอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าจิตมันก็ยังเป็นธรรมชาติที่แปลกปูนอยู่ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางก็เชี่ยวญธรรโยนได้หมดนประมวลน้ำจิตมันก็จะไม่มี ไม่มีตัวอะไรมาก่อกวนให้ให้ให้ใจต้องไปทุกข์ประมาณนึงต่อไปเพราะมันไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความทุกข์ใจคือสัมโยชทั้งหลายมันถุกกำจัดไปหมดมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในจิ ต, จตว่างสง บ, บตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาก็เลยไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีจิตต้องทาไม่มีงานต้องทา ตงานหลักก็คือการกำจัดความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีภารกิจอนะไต้องถามให้ตอบไปก็เสร็จภารกิจทางด้านการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาจิตก็เป็นจิตก็เรียกว่านิพพานไปอิกที่สงบปราศจากสามโยชน์ปราศจากความโลภความอยากทั้งสามประการ อั้งโยทั้ง10มันก็มามันก็มาเกี่ยวข้องกับความอยากสามตัวนี้แหละแต่เป็นเป็นการแสแดงแบบละเอียดขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องการม่าตันหาเพาะวาตันหาแล ะ, ะวิภาวะตัหาเนี่ยวาะในหมดแล้วจิตก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดในใจเพราะไปต่อไปอิกก็ยังอยู่ที่เดิมแต่อยู่ด้วยความสุขต่างจากตอนที่ยังไม่ได้ปัิบัติ อยู่ด้วยความทุกข์ทุกเพราะว่าต้องพุกขความอยากอยากจะมีร่างกายอยากจะไมาความสุขทา้งตาหูจมูกเนื้อง่ายได้มาแล้วมันมาเสียไปก็ทุกข์ไม่ว่าจะได้อะไรมามันต้องเสียไปทุกอย่างมันนึ็นของชั่วคราวพอตัดความอยากหมดได้มันก็ไม่เป็นไม่มีอะไรที่ต้องไปมันไม่มีต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขมัน มันมีคาวามสุขในตัวของมันเองมันก็จบไม่ต้องไปมีร่างกายไม่ต้องไปมีรูปเสี่งเลิดไม่ต้องมีรูปประฌานนะรูปฌปานมาให้คาวามสุขอ่าก็เราก็อาศัยการปฏิบัติท่านศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักบวชก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นกาลวาน ถ้ายังมีเงินไม่เท่ายังใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆอก็ต้องเอาเงินหล่านั้นไปทำบุญแทนทำทานแทนไม่ให้ใช้เงินเพื่อไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นความสุขชั่วคราวอรากรมาปฏิบัติสมาสิ่นสมาธิปัญญาสิ่นแปนั่งสมาธินั่งกัปเจนาทุก อ, อย่างเป็นตายรักไปหมด กายเวทนาจิตมันก็จะสามารถกาจัดความอยากต่างให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีมความอยากใจก็บมทงานเหมือนยาที่รักษาโรคพอเรากินายาจนกระทั่งเชื้อโรคตายไปหมดยาก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินไปก็ไม่กินแล้วก็มีผลเท่ากันเวลาหมอหาจากโรคแลกก้วหมอก็ไม่กินายาแล้วใช่ไหม กินก็ไม่ต่างกับเวลาไม่กินก็มันไม่มันไม่มีโรคที่เรารักษาแต่ถ้าเวลาเป็นโรคเนี้ยต้องกินยามันทึกยายถ้าไม่กินยาโรคมันก็จะไม่หายมันจะคลำเลิกแต่พอกินยาเนี่ยทั้งค่าค้าเชื้อโรคหมดแล้วไม่มีโรคแล้วยาก็ไม่รู้จะไปค่าอะไรกินไปก็เหมือนก็ไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินพอปฏิบัติถึงขั้นละตัณหาทั้งสามได้หมดนะครับ ภารกิจก็หมดจบสิ้นลงธรรมะอัลดก็ไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องกินนะไม่ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่เฉยเฉยไม่มีอะไรมารบกวนใจต่อไปไม่มีเชื้อโรคที่จะมาสร้างความทุกขให้กับใจก็อยู่เอาเวลาที่เหลือก็เอาร่างกายมาใช้ประโยชน์สอนคนที่อยากจะหลุดพ้นอย่างพระพุทธเจ้ามา แสดงทำวัน 4, ละสี่ห้ารอบนี่กันสี่รอบมาใช้ร่างกายนี้ใช้คานห้าใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาแต่เป็นเป็นเครื่องมือของธรรมเมื่อก่อนคานห้าเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสก็จะคิดจะพาไปไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปดูไปฟางไปโน้นไปนี่แต่พอไม่มีกิเลสแล้วมันไม่ก็ไม่มีความคิดเหล่านี้อยู่ในใจ ของพระอริยะพระอริยะท่านก็คิดว่าจะช่วยใครดีเท่นั่นเองใครพร้อมที่จะให้รับ ใ, ให้การช่วยเหลือได้ก็ให้ช่วยเรไปช่วยคนนั้นก่อนใครที่ยังไม่พร้อมก็รอให้เขพร้อมก่อนเราไ ป, ไปช่วยครับ อ, อย่างพ่อพระพเจ้าเนี่ยท่านต้องรอให้ใกล้ตายก่อนถึงจะพร้อมถึงข้าไปช่วยก่อนหน้านั้ น, นยังไม่ตายใกล้ตายยังไม่สนใจธรรมะ ยังกังวลเรื่องการปกของบ้านเมืองแต่พอะกล้จะตายแล้วมันปกคองบ้านเมืองไม่ได้ม่างกายมันทุกกับความตายก็เลยพูะเจ้าอะไรไปสอน <c oughs> ไมื่อทีให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากใช้ร่างกายไปเรื่ม <c oughs> ก็มัรรูุ้ได้ พระอาหานต์ทุกโลกเนี่ยท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านนะจิตของท่านแสงเรียบร้อยที่ท่านอยู่ก็เพื่อทาประโยชน์ให้กับโลกให้กับศาสนาให้ศาสนาจะได้อยู่ต่อไปได้นานมีคนรุ่นใหม่มาศึกษามาปฏิบัติมามารลุธรรมมาทําท่านหน้าพี่นอต่อไปอ่านี่ก็เกิดเรื่องจิตทางพุทธศาสนาจิตแห่งบรมมจันทร์ เมื่อเสร็จสิ้นลแล้วก็ทํากิจเพื่อพูดต่อไปกิจชงตอนเสร็จแล้วต้องทำกิจชงตนเองเสร็จก่อนแล้วกาไปทํากิจของให้กับพู้ตอนตอนนี้ยังไม่พ้นทุกข์จะไปสอนให้คนอื่นพ้นทุกข์ไม่ได้โอเคนะมีอะไรไหเออไม่มีนะครับกลับขอบ <Okay. S 2> พวกคุณพอใจมันอย่างสูงครับพยายามปฏิบัตินะ้าเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะ ครับน้นำปฏิบัติครับก็จะม okay. ันพิจารณาเนือ ง, งสังขารเป็นของไม่เที่ยงหน่อยขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปนะครับมีงยัางพยเยี่ยงยังยังประโยชน์ของ ต, ตนให้ถึงพร้อมเ้ื่อความไม่ประมาณโอเคไอทีคนต<ก>ีมานอนเมื่อไอตีมายังถือสี้นแปะแล้วเปล่าออกภาษาละการราการค่ะอาจารย์ วันนี้ยังถืออยู่ค่ะพระอาจารย์เป็นถือเป็นอาจารย์ถึงสุขแทนค่ะถืออะไแทนเนี่ยถือเป็นวันจันารย์ถึงสุขแทนค่ะพระอาจารย์ว่าเสาพ์ที่ก็คือยังกลับไปทานข้าวกับพ่อแม่ค่ะก็เลยไม่ได้ถือค่ะอ่ะระราเรามีภารกิจก็ยกเว้นไว้ก่อนนค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูเจอแบบสอบกับพระอาจารย์วันนี้หนูพอดีวันนี้หนูต้องทํางานนะคะที่นั่งตรวจผู้โดยสารนะคะพอดีเขาเคาน์เตอร์ข้างๆกันอ่ะเป็นบุคคลที่หนูเคย ทะเลาะด้วยค่ะหนูก็เลยน้อมนําหลักธรรมของพระอาจารย์ยอมหยุดเย็นมาใช้่ค่ะก็ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็เฉยๆก็จะทําอะไรก็เลยองายเขาไปท้าพเจ้าทำใจเราได้สบายนไม่เดือดร้อนใช่ค่ะเด็ดพยายามนั่งสมาธิทุกคืนนะค่ะพระอาจารย์ใจเย็นได้วางเฉยได้ ตอนนี้หนูนั่งตอนเช้าแล้วก็กลับจะทำงานก็นั่งเลยค่ะอาจจะพยายามปฏิบัติเรื่อยๆค่ะโอเคดีมากทำดีสายาค่ะขออนุญาตอาจารย์ข่าแข็งแรงนะค ะ, ะ, ะคุณส า, า, าตกาสากาใช่ค่ะมาฟังธครัค่ะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะอู้ใหญ่สงบดีเรียบร้อยดีดีค่ะ คู่คกรณีก็ไม่มีปัญหาอ๋อไม่ค่ะอ่าอยู่กันดีสามารถเกีกันดีรักกันดีนะอยู่อันคนละอันนั้นค่ะอยู่มุ ม, มละอยู่คนลมุมละค่ะค่ะคนละมุมน้ำเงินน้ำมุมแดงจอดไม่ออกบางกลางเวที <laughs> หลบมุมกันไว้นะ ค่ะค่ะโอเคสาธุจ้าคุณจุ๊บโกเบกลับในวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมว่ายังไงวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะปฏิบัติคนเดียวได้ใช่ไหมได้เจ้าค่ะอ <c oughs> หนูนั่งหนูนั่งหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะพระอาจารย์อืแล้วก็<ด>นั่งแบบอ่า เอขาขวาทับขาซ้ายได้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะดีพยายามนั่งไปเรื่อยๆฝึกไปไเรื่อยๆยั่งได ม, มากขึ้นยิ่งมากได้เท่าไหร่ยิ่งดี้ค่ะ ต, ต้องนั่งแบบมีสติอย่าไปให้ใจลอยเนะาะอะไรคอยดึงใจไว้พุโทโธพุโทโธแล้วโน้มมาใจ้ใจเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเจ้าค่ะ ขอขอบคุณพระอาจารย์มากมจ้าค่ะที่คุณโยมหญิงวิไลพรสายสองค่ะเข้ามาน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะมาฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์่คุณพ่อสบายดีนะพ่อเป็นงูสวัสดเจ้าค่ะเพิ่งเป็นได้สามวันค่ะแล้วท่านบอกว่าปวดมากเพราะว่าเป็นกับสุรอายุอะค่ะอ่ามียารักษาแบบมีใไหมมีค่ะ คุณบอกให้ทานยาแก้เสพสีเวลาค่ะพระอาจารย์โอเคแต่ก็ uh, แก่ลงไปเยอะค่ะโอเคก็ให้หายเร็วๆน ะ, ะกับกับน้อมนำคำสอนพระอาจารย์มาปฏิบัติตู่เจ้าค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะถึงคุณอรณันต์มงคลกฤชกทมกับน้ อ, อมอสแกนค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ ยมมีคําถามค่ะพอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วตอนตอ น, ตอนยมนั่งปฏิบัติอยู่คืนหนึ่งคุณสามีก็แอบถ่ายวีดีโอหมันนั่งปฏิบัติแล้วก็ก็เห็นว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับเห็นร่างกายเราคล้ า, า, ายๆโยกเยกค่ะอาจารย์จริ ง, ร ง, ร ง, ยงๆยมก็ไมู่้สึกเขาก็เขาก็แบบว่าตั้งข้อสังเกตยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยมมาถามพระอาจารย์ว่ามันเราควรจะทํำยังไงกับลักษณะอาการแบบนี้คือเราจะต้องทําอะไรกับ มันหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็แสดงว่าสติเราอาจจะยังไม่ค่อยเจ็บ้นพอ้าร่างกายก็ยังขยับได้อยู่ถ้าเราอยู่ที่ว่าเรารู้สึกตัวว่าเรากำลังขยับหรือเปล่าถ้ารู้เราถ้ารู้เราก็แสดงว่าเรามีสติเราก็หยุดมันอย่าให้มันขยับแต่ถ้ามันไม่รู้บางทีก็เหมือนการหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นเคลิ้มๆอย่างนั้นไป ก็แสดงว่าสติเราไม่ไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันต้องรู้สึกตัวต้อเวลาเราขยับร่างกายเราต้องรู้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะอย่างตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเราจะรู้ใช่ค่ะถ้าเรานั่งแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วคนอื่นเขาเห็นร่างกายเราขยับไคือแสดงว่าเราจิตเราเริ่มเคลิงแล้วเราอยู่ในสภาพแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่าจริงๆริงบางทียมบางทียอมยอจะรู้สึกตัวเหมือนตัวเองมันตัวเอง ตัวมันน้อมลงเขรู้สึกตัวนะพระอาจารย์ค่ะใช้คําว่ายัางไงเดี๋ยเหมือนแบบตัวน้อมลงไปต้องห้ามมันจะอย่าไปยอมต้องห้ามมันใช่ไหมคะต้องง้างให้นิ่งเฉยๆถ้า อ, อยู่กับพุโทโธอยู่กับพุโทโธอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ถ้าอยู่แล้วมันจะมันจะน้อมขอกว่าไปเอง ก, ก็ก็ช่วยไม่ได้นะว่ามันสติเรายังอาจจะไม่เข้มแข็งไม่เต็มร้อยพ อ, อ ก็ปล่อยมันไปย้ไม่ต้องไป็นวลถ้าเรารู้ว่าร่างกายเอ็เอแมงขา้างหน้าเแมง้าหลังนี่ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปปรับมัน ไ, มได้แนละ้วให้เราอยู่กับพูดโทรไปเรนะื่อยๆอยู่แบบ ล, ลนะมงมาเรื่อยๆได้ต่ต้องอาจจะต้องให้เข้มข้นขึ้นแ ต, แ, ตแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญเวลานั่งอย่ายไปสนใจพ<ม>ยายามหมดของร่างกายให้สนใจอ ย, อยู่ที่สติว่าเรามีสติอยู่กับพูดโทรอยู่กับลงหรือเปล่า ง่ายจังได้ค่ะอย่าเน่า ย, ยังเหมือนถือว่าเรื่องสูนวิสัยไปไม่ต้องเปนนนงน็นกังวลค่ะอาจารย์แล้วก็อั น, นอันนี้เรื่องปฏิบัตินิยมมีคําถามอันนี้ไม่ได้เป็นบัติแต่ว่าพอดีว่ามีรุ่นน้องมาคุยให้ฟังยมก็เลยคิดว่าอาจจะมาขอข อ, ขอความรู้จากพระอาจารย์คือเขามีการคุยกันแล้วก็ถกเถียงกันว่าผู้ที่บรรลุโลกุตตรธรรมหมาว่าขึ้นไปในพระอริยัต โซดาบานันสกิทาคามีอนาคามียค่ะอาจจะเสื่อมได้ตามกฎไตรรักษ์มันเสื่อมได้ไหมคะพระสาจไม่ได้หรอกมันแต่จะขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยจากจากอริยะแล้วมาเป็นไม่เป็นไม่กลับมาเป็นบุตชนอนอีกต่อไปยังตอนแรกยงก็เข้าใจอย่างนั้น ก, ก็เลยแบบมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเลยบอกว่าอาจจะต้อง<ม>ออกความรู้ดีกว่าว่าเราไม่ใช่ผู้ที่จะรู้ถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยันเสื่อมได้ เป็รูปประพรมเนื่ยเสือ่อมลงมาเป็นรูปประพรมอยากรูปประพรมมาเป็นเทว์มาเป็นเท่เป็นมนุษย์ได้ตามลำดับเมื่อบุญที่ส่งไปมันหมดช่องลำนองแต่บุญที่ส่งไปโลกุตตรานี่มันเป็นปัญญาปัญญา น, นี่ไม่เสื่อมพอรู้อะไรแล้วมันจะไม่มันจะไม่ลืมถ้มม <S s าเป็นปัญญา ถ้ามันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันก็จะเห็นอย่างนั้นไปนตลอดมันไม่มีเปลี่ยนแปว่าจะไปเห็นว่ามันไม่เป็นตัวเราขึ้นมาเปลี่ยนไปไม่ได้ออเข้าใจจำแนงเลยครั่ะผู้ชมว่าอย่างที่ท่านว่าอถ้าตัดตัวร่างกายไปได้แล้วแล้วทําไมมันถึงจะเสื่อมอีกแบบงงตั้งแรกกเราพูดไปแบบคนตาบอดคําช้าเนี่นี่นิทานนะพวกที่ชอบไชอบศึกษาแล้ ว, ลวไม่ปฏิบัติกันนะ เรามานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันช้างเป็นยังไงคนหนึ่งไว้จับที่หางก็บอกว่ามันเป็นเหมือนเชือกคนหนึ่งก็ไปจับที่งวงมันเป็นเหมือนงูอีกคนไปจับที่ที่งาแล้วมันเป็นเหมือนหอกนอืมจับที่เท้ามันเหมือนกำแพงทุกคนถูกถูกทุกคนถูกแต่ไม่ถูกไม่หมดเรามานั่งเถียงกันไม่ใช่มันเป็นเชือกอีกคนไม่ใช่มันเป็นหอกอ่า ไม่ไมันไม่ดูภาพรวมดูแต่เฉพาะภาพที่มันที่มันเข้าใจนะส่วนภาพที่มันไม่เข้าใจมันก็ไม่รู้เป็นยังไงกนเลยเป็นการคาดเดาไปอออือตอนแรกอาทิตย์หน้าตอนแรกโยมจะขึ้นไปที่ปฏิบัติทีวัดท่านปรากฏว่าทางน้องบอกว่ามีเด็กๆมาเข้าค่ายเลยถูกต้องยกเลิกไปซะก่อนคแล้วบอกสิ่งต่างๆแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าจะต้องขึ้นไปลองอยู่ดู อือเดี๋ยวที่ไหนก็แล้วแต่โอกาสบางทีมันไปก็ไม่สงบก็อย่าไปดีกว่าอ่าก็คิดว่าเชนั้นอยู่บ้านอาจจะทําได้ดีกว่าพเพาเงียบกว่าอืมอาจารย์นี่ก็มีคำถามเท่านี้ครับอาจารย์ก็ยังคงปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ปฏิบัติเรื่อยๆอืาพยายามละส ก, กายละทิฏฐิให้ได้ก่อนนะร่างกายไเป็นตัวเราของเราถ้ามันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้อ่า มันเป็นอะไรต้องไม่เป็นเดือดร้อนแทนมันโยมมันไม่เดือดร้อนเนี่ยร่างกายเวลามันเจ็บมันไม่มันไม่เดือดร้อนแต่ใจมันเดือดร้อนแทนอมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเวลามันเวลาคนตายเนี่เอาเอาเข็มมาทิ่มมันจะรุ่งมันไม่จะรุ่งอจริงๆอันนี้เป็นเป็นอุบายอันหนึ่งที่โยมจะนํามาคิดเลยนะว่าเอ๊ะทาไมเวลาเราคนตายไปว่าจิ้มแล้วไม่รู้สึกแะ มันก็ต้องได้หมอมาชน่ะสุบสบได้สบายไม่ไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ต้องฉีดยาชาแต่เวลาไม่จิตอยู่เนื่อจิตตัวรับรู้เนี่ยเป็นตัวสัดุกตัวที่ไม่ยอมมันกลัวเจ็บมากแต่ตัวจิตไม่ได้เจ็บมันเพียงแต่ไม่รับรับรับทราบความเจ็บเท่านั้นเองใช่ไปรับรู้ความเจ็บ ก็เลยไปคิดว่าร่างกายเราเราเนี่ยแหละเจ็บใช่ไหมมันใช่เป็นร่างกายไปอืออได้ค่ะก็น้องนําไปปฏิบนะัติค่ะปฏิบัติบูชาอยู่ตลอดก่ะพระอาจารย์ยงอือ <c oughs> ทาอยู่ตลอดเวลาสลับกันนะทั้งสมาธิทั้งปัญญาน้องสลับกันไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำปัญญาเนี่ยเมือนเราฟุ้งซ่านได้ทำสมาธิอย่างเดียวก็ก็ก็ไม่ก้าวหน้าไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นความจริง แต่เราเห็นตายแล้วต้องเดินไปด้วยกันสะดับกันะค่เวลาผู้ทราบเนี่ยเขหยุดไปพักในสมาธิหลังผู้ทราบออกมาก็พิจารณาค่ะอ า, าจาได้คะ่ะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะแลก็จะคอยมารายงานพระอาจารย์อยู่เรื่อยๆคะ่ะอ่าอ่าเป็นค่ะใครที่เปนยินดีแตนซ์นนน กลับบ้านมากลับมากลัมที่บ้านแล้วเลยถ้าถ้าอาจาร mm hmm. ย์เรียบร้อยนะคะ เ, เมื่อค่ะที่แล้วตอนที่เดวิดก่อนที่เขาจะออกจากบ้านไปอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไปรับูมลูกค้าใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วหนูก็เลยบอกว่าให้ก็เขาก็บอกว่ามันมันมันมันมัน ม, ม, ม, มันก็มีปัญหาหนูก็เลยบอกว่าก็จําไว้ละกันถ้าในกรณีถ้าเกิดสมมติว่า เราเริ่มไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนึกถึงท่านพระอาจารย์นะหนูหนูบอกเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะท่านอาจารย์หนูก็กราบขอเข้ามาท่านอาจารย์ด้วยกราก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาอยัางไงกับเขาดีคือหนูเคยบอกเขาว่าค่ะเวลาคนเราเวลาโมโหเวลาโกรธเนี่ยท่าทางเนี่ยมันจะออกมาที่หน้าถึงแม้ว่าเราสัเราคิดว่าเราอ่ะคุมใจได้แต่จริงๆแล้วอะปฏิกิริยาของเรามันออกมาโดยธรรมชาติโดยผ่านทางหน้าตา หนูก็เลยบอกเขาว่าก็เลยเอาอุบายเนี้ยค่ะบอกเขาอะค่ะท่านอาจารย์หนูก็กราบขอเข้ามาด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็หวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ถือโทษนะคะท่านอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรแหละมันเป็นเรื่องอุบายวิธีการดับความโกรธวิธีไหนยังใช้ได้เราไปใช้ได้ไม่สมหวังไม่กะสิทธ์ค่ะเพราะท่านอาจารย์พ่อพอหนูพูดปุ๊บเนี่ยเดวิดเขดีใจมากเลยค่ะพอหนูพูดในรักษณะแบบเนี้ยก็บอก ยอดเลยก็บอกเนี้ยยอดเลยเยี่ยมเลยเพราะคือด้วยความที่เขาเคารพท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยเอาตรงนี้นะค่ะมาบอกเขาเขาบอกค่ะลูกขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ลูกขอบพระคุณและะว้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะก่อนไปออก็ฟองบอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ ค, ค่ะมองชูนะ ท่าม่ซีบกูโบกูแม่ฮิบกูซีโบกูค่ะอลองเต้่ะท่านอาจารย์ลูกทั้งสองขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านชาารยสาธุไปที่อาจารย์พงศ์พิไลก็ทํามะเป็นยังไงพระก่อนหลับนอนพอเลี่ยัลบนัสการค่ะหายเหนื่อยเลยวําลังมีคนเดินับนอสกัดพระอาจารย์ครับสบายดีพระอาจารย์สบายดี หายเหนื่อยยังมีลางจะไปเที่ยวต่อยังแผ่นแผ่นไปแล้วค่ะกิเลสันลูกลูกเป็นกิเลสพาเราค่ะแทบโทษโทษลูกยังไม่ได้ไปค่ะยไม่ไปค่ะช่วงนี้ยังยังมีงานรับใช้สังคมค่ะอย่าเล่มปฏิบัติทำไปด้วยนะ ทำตลอดเวลาค่ะเมื่อกี้ยังคุยกับลูกอยู่เลยค่ะเขาบอกห่วงแล้วราบอกไม่ห่วงแล้วแม่ละหมดแล้วตัวใครตัวมันดูแลกันเอาเองก็ไม่หมกค่ะก็มีความมีความสุขสบายใจค่ะกายก็แล้วแต่สังขารพาไปค่ะก็ดีพยายามปฏิบัติไปค่ะ ก็กลายกลายไปกลายยังไงก็ช่แต่จใจใจเรียกว่าปลอดโปรงสม่ำเสมอคะ่ะอืมดีสาทุอาจารย์สาทุค่ะอาจารย์รักษ า, า, ขาแข็งแรงครับอาจารย์จะไปตักบาตรในเร็วๆวันถ้าดูรอรอเอาอมาหลา<อ>ร่ก็ไปได้ค่ะ <laughs> <laughs> คนขับอยู่นี้ค่ะคนขับพร้อมเราก็ไปกันค่ะปินโตแถวแล้วไม่เห่าไปนะพรับาจารย์านวัตการค่ะย่าตามกอ่าสันโดษสันโดษกัคุณยายนวัตการกัพระอาารย์่านไงคุณยายสบายดีนะสบายดีคุณยายค่ะ กราบถ้าดด้วยเลยนะคะครับพระอาจารย์วันนี้ก็พาคุณยายมากราบพระอาจารย์แล้วก็มาส่งกันบ้านเช่นเคยครับอาจารย์มีการบ้านด้วยนะ <c oughs> ก็ไม่เชิญกันบ้านครับก็มารายงานการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆครับผมอาจารย์<ม>ก็หลังจากที่กลับไปปฏิบัตินะครับพระอาจารย์ผมถึงค้นพบแบบแท้ทรูเลยว่าโอ้โห กิเลสมีมันร้ายมากพราะพอเราพิจารณากายคตาสติเองนะครับอจาจารย์เราพิจารณาซากขบเราพิจารณาอสุภะเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราไปกินข้าวเราจะกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมันภาพมันแฟลชแบบไปถึงแบบภาพแบบเนื้อคนเนะี่ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆเนาะ เนื้อเนื้อสัตว์ที่เรากินเนี่ยมันก็เหมือนกับเนื้อของคนมันไม่แตกต่างกันมันแค่ก็แค่ของคนกับของสัตว์ซึ่งมันก็มีสัตว์อ่าสันถานอะไรแบบเดียวกันเหมือนกันสีก็เหมือนกันมันก็ทําให้เรากินไม่ลงเอาไปเอามาผมก็คิดว่าเฮ้ยโดนกิเลสหลอกแล้วมว้ยแกกิเลสมันหลอกให้เราเรื่องมากเรื่องกินนี่หว่าคนรจะเรื่องกันกินยาเพื่อเพื่อแก้โรคต่างกัน น้องไปกินเวลาเกิดเห็นใครสวยๆงามๆ้วไม่ชอบเขา <c oughs> เลยฮ่าๆาจันผมเลยบอกโอ้โหกิเลสเนี่ยมันลายมากเลย <ừ> ตอนแรกเราก็ว่าเฮ้ยทําไมพอภาพมันติดต่างเนี้ยครัว่าจย์มันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นจะไปเป็นเรื่องมากเรื่องกินผมเลยบอกไอ้นนี้ไม่ใช่ละมันต้องกินอะไรก็ได้ยินดีตามมีตต่างเกิดอันี้ไม่ใช่ <ừ> <ừ> มันถึงได้รู้ว่าเออไปติดทางแล้วไม่ใช่ก็เลยต้องกลับมาใหม่ก็ต้องเปลี่ยนนะว่าจัน ในงานมันในงนมันจะกลายเป็นกิเลสมันเพิ่มใช่ว่าจะเนีเนี้ยจะต่อไากินเนื้อสัตว์ไม่ลงจะกลายเป็นแบบคนที่แบบกินอะไรก็ไม่ลงละมันจะกลายเป็นไปเพิ่มภาระแทนที่จะยินดีตามมีตามเกิดใช่ว่าจะโอเคต้องใช้ใช้ใช้ผิดวิธีใช้ผิดเวลา ต้องเวลาเห็นคนนั่นสวยคนนี้น่ารักว่าอยากจะได้ก็ามาเป็นแฟนแตอนนั้นน่ะอาจารย์ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือพ <c oughs> ระอาจารย์ครับไ อ, อสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดคือมันมองไม่เป็นอสุภะแต่ว่ามันไม่ได้ไปในทางชอบครับอาจารย์มันเกิดความเฉยเฉยมันเป็นอุเบกขาอาเงี้ยครับพระอาจารย์ <c oughs> การเฉยๆมันไม่ต้องใช้เหมือนเลยขามันมันจะกลายเป็นเหมือนว่ามันอุเบกขาเฉยๆมันไม่ได้ไปชอบหรชาร์งมันเฉยๆกาเฉยๆมัไม่ต้องทําอะไรการเฉยๆไปใช่แต่ว่าก็ยังต้องฝึกต่อไปฮะแต่ว่าเราต้องคอยดูว่าอันไหนมันคือโดนกิเลสหลอกเมื่อไหร่ที่โดนกิเลสหลอกเราก็ต้รีบกลับมาอไม่งั้นมันกลายเป็นอ้าวไป เป็นสายรับกิเลสทน mm ที่เราจะฆ่ากิเลสเราไปช่วยกิเลสซะงั้น mm masa, ไม่รับใช้กิ er. เลสครับพระอาจารก็ต้องปฏิบัติต่อไปครับพระาจารย์ขอบคุณพระชาพระอาจารย์่าแข็งแรงครับเ็ายทกยงอายุยืนยาวนานะเปนายอยู่ไม่เกินน้อยปี ใจพี่ใหญ่ึอย่ง น, น, ย น, นั้นะพรอนะคุณยายไว้พรอนผมบา้างสิขอให้ขอให้สันโดษได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในภพในชาตินะี้นะฮะสาธุขอในบาร์เส่กับบาจจัยกับปุรภาจจอย่างสูงค่ะที่คุณจูนจ่น กลับนมัสการพระอาจารย์นะคะอยู่ที่ไหนเป็นจูอยู่ปุมค่ะปฐุม่ะมีอะไรัหมมีค่ะหนูจะมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัตินะคะพอดีพอดีวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอ็ดหนูได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอาที่กัทธาบุรีการเดินจงกรมอะค่ะทีนี้เดินได้นานกายเบาเหมือนแบบมันมันก็ห่างจากกายอะค่ะใจแบบ ทนได้เวทนาอะไรอย่างนี้แต่ว่าจิตอะค่ะมันมันเหมือนแบบว่าไปตามไปตามอารมณ์ไปตามเหมือนเหมือนแบบว่าความติดติดอารมณ์ความรู้สึกความคิดเกาะไปอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะห้ามห้ามจิตใจได้หรือว่าเวลาสมมติว่าห้ามกินมันมันจะห้ามไม่ได้แต่ว่ากายกับกับใจมันเหมือนมันมันเบาอ่ะค่ะเหมือนก็ อย่างนนี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีสติใจมันก็จะเบาใจใจก็จะสงบงจะเย็นไม่จำเป็นจะ น, น, นั่งสมาธิก็ได้แล้วในส่วนของนั่งสมาธิอะค่ะอย่างท่องคุทโธหรือว่าดูลมหายใจอย่างเงี้ยหนจะคือมันจะเพ่งมันจะอึดอัดแต่ทีนี้ถ้าหนูนั่งเฉยๆแต่ว่าเหมือนมีสติอย่างนี้หนูสามารถทาแบบนี้ได้นะคะทาแบบนี้ก็ได้ถ้ามีสติก่อยกลุ้มความคิดอย่าให้ใจคิด ใ, ใจรู้เฉยๆแต่ท่านดีก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธ้องดูลมเฉยๆไปอย่างเดียวถ้าดูลมอย่างเดียวอาจจะไม่เคียดก็ได้แต่มันทำทั้งสองอย่างมันอาจจะมางเกินไปหนูไม่มีคาถามแล้วหรือว่าถ้านดูถ้าดูความว่างในใจได้ดูว่าใจไม่คิดอะไรก็อยู่กับความว่างไปก็ได้ได้ครับ อย่าปล่อยกกให้ใจคิดในทางที่ดีดูลมเนาะได้อย่างดีกว่ามันจะได้มีอะไรอผูวกมัดใจไม่ให้ไปคิดได้ได้มากกว่ามันดูเฉยๆกลับขอบพระคุณพระอาจารย์อ่าสาธุอะไรที่เป็นหมอภาสนะตอบคุณหมอข้าวทอมอ่ะก่อบนำ้ำมัสการ์ค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีข้อสอบค่ะพระอาจารย์ ทั้งบ้านสามคนที่อยู่ด้วยกันเป็นโควิดทั้งบ้านเลยพระอาจารย์<ม>เริ่มจากลูกสาวนําเข้ามาแล้วก็ติดพี่หนุ่มแล้วก็ติดตัวเองแต่ว่า<ม>ใจก็นิ่งนะอาจารย์พอเห็นผลก็โอเคก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นทุกข์ซะร่างกายก็เป็นติดเชื้อเป็นเรื่องปกติสาพระอาจารย์<ม>ก็ก็ดูแลกันไปแล้วก็วได้ได้ยาเบิกยามาเร็วพระอาจารย์แล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะพอดีมันตอนแรกตอนแรกติดสองคนตัวเองติดที่หลังสุดเนะะี่ยฮะก็เลยโชคดีไปก็เลยไกลไม่ต้องไม่ต้องแยก ก็อยู่ด้วยกันไปได้เลยแล้วก็พี่หนุ่มจะเป็นเยอะสุดเลยค่ะก็กินข้ามไม่ลงอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้กินตัเองก็เลยยังมีแรงเยอะนะพระาจารก็เลยดูแลแล้วก็กินยาไปกินยาอะไรก็มียาอะไรออกินโมกินแค่โมโมโนพิลาเวียยาแกแก้ปวดไม่ได้ทาเลยนะคะพระอาจารย์ใช้ธันดาบดามาโอสดทานแค่โมโนพิลาเวียสี่เม็ดนะคะมันเป็นยาที่ทาชื่อใช่ค่ะสิบโดสครานี้เขาจะให้โดสใหม่จะมีสามตัวยา เลมเดสซีเวียอะไรพวกนี้แต่ว่าตน้ตนแต่ว่าที่โรงาพยาบาลเลือกสิ่งเข้าจ่าโมโนโพิลาเวียก็กินครั้งละสี่เมตรเช้าเย็นห้าวัน<ม>แล้วก็วันนี้วันที่ห้า น, น, นะคะเป็นวันเสาร์วันนี้วันที่ห้าก็ตรวจไม่มีเชื้อทั้งทั้งสามคนแล้วค่ะหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว ก, มก็มันกัดมันกัดระเพาะปั๊มอ้ไม่กัด น, นะคะพระอาจารย์เตัวเองก็กินก็กินมื้อเดียวเหมือนเดิมไม่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรที่ผิดปกติเลยก็กินเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนตอนที่เป็นวันแรกๆอ่ะตอนกลางคืนโอบ เจ็บคอมากเลยก็คือเข้าใจแล้วว่าอ๋อโควิดมันเจ็บคอเช่นนี้นี่เองแต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรนะพระอาจารย์ไม่ได้กินยาอะไรแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็กินข้าวเข้าไปเพราะว่าเออมันต้องกินค้าก็กินเข้าไปปุ๊บมันก็อยู่ๆก็หายเจ็บไปเลยพระาารก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นหวัดทำมาเองแล้วก็กังคืนนะพระอาจารย์ตอนตีสามตื่นมาตอนแรกนั่งปกตินั่งฟ้าที่ตีสามใช่ไหมผมนั่งไปนั่งมารู้สึกว่าเออลองนอนสมาธิบ้างดีกว่าเพราะว่ามันนั่งแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวมันเอีย ง, งค่ก็เลยนอน ก็เลยฝึกเอาไว้เผื่อว่าเป็นโรคติดเตียงอะไรเงี้ยก็นอนได้พระอาจารย์ก็นอนสมาธิสองวันนะคะจากนัก้นมัาก็นั่งสมาธิได้เหมือนเดิมพระอาจารย์ออืก็เป็นข้อสอบที่ผ่านได้พระอาจารย์ต้อง <Okay. S 1> ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยอ่ะก็รู้สึกว่าธรรมโอษฐมันช่วยเยอะมากเลยพระอาจารย์ช <esters hire> ่วยให้ใจไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บของร่างกายค่ะไม่ทุกข์กับความเจ็บแล้วก็ไม่ทุกข์กับความพัดพรากด้วยเพราะเพราะว่าเพราะว่าพี่หนุมเนี่ยอายุเยอะปุ๊บเนี่ย คือลูกชายโทรมาบอกเลยว่าเออระวังพ่อเพราะว่ากลัวลงปอดเนะียฮะเพราะว่าอายุเยอะหน่อยหนึ่งก็ไม่ไม่ได้ทุกขนะ์แล้วฮะอาจารย์ก็ดูแลแล้วก็ไม่ได้ทุกข์แต่ว่าสุดท้ายก็แบบเออดีขึ้นเพราะว่าเราพอเรามีแรงแล้วเราไม่ทุกขนะ์อ่ะมันก็ทําตามหน้าที่ได้ดีอนะ่ะพระอาจารย์ก็าาหายทุกคนอ่นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อไม่ใทุกข์กับอะไรไม่ให้ทุกข์กับร่างกาย แล้วก็การพัดผ้าด้วยว่าอาจารย์อันนี้ที่ติดตัวเองเคยติดเรื่องการพัดผ้านี่เยอะมากในตอนนี้เขาอย่งชั่วหน่อยไม่ติดแล้วค่ะอาจารย์ก็นะยอมรับได้แล้วว่ายังไงก็คัดผ้ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีไม่ตายวันนี้ก็วันนะน้าจะไม่ตายก็ดีก็ทําต่อโอเคขอบคุณครพะอาจารย์อหมดแล้วเนะี่ยหมดหมดแล้วค่ะทําต่อพระอาจารย์ค่ะอ่าไปที่เขาเอขุนทะิสาากลับในมัสการคะ่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มันก็ฟรีเวสิปมันไฟไหม้นี่ยค่ะหนูรู้เห็นข่าวนิดนึงอะค่ะอยู่อยู่อยู่อยู่ตรงเอ่ออยู่ใกล้ใกล้ฟรีเวสิปเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ใกล้มากค่ะใกล้แตอยู่ที่มันไฟไหม้มันยุ่อยู่นเหตุไงอยู่อ๋อใช่ค่ะอยู่ตรงดาวเทาค่ะดาวเทานเลย ที่มีที่มีหลายหลายสายมาชนเงินทั้งนั้นค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์รถติดมากเลยค่ะได้ข่าวอ่ะก็ปิดซีเวแต่รุ่ยังไม่ได้ตามข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นพะอาจารย์รู้ว่าค่ะตรงนั้นมันจะมีแบบน่าจะเป็นพวกแบบว่าสตอเลสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นโฮมเลสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่น่าใจอะค่ะระเบิดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะไม่ได้ต่างค่ะค่ะอาจารย์มันบางทีมันก็มีการแบบเอาฝาแบบเหมือนกับพวกโฮมเลสเขาจะมีพวกพวกของเยอะะค่ะแล้วอาจจะมีการแบบทิ้งทิ้งเอบุหรี่อะไรอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์อ๋อตอนนี้ลูกก็อยากจะเริ่มเริ่มแบบทําสมาธินอนสมาธิดูอะค่ะพระอาจารย์แบบมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดต่อไปเราไม่สบายอะไรอย่างนี้ยค่ะ เราอยากจะแบบไม่ต้องกลัวหรอกอย่าไม่อนอนไปเลยเราเลยนอนสมาธิเดี๋ยวมันก็ซับมันก็หลับกันวจรงเดี๋ยวเข<พ> า, ม<พ>าไม่ไม่ไม่ต้องไปฝึกแล้วอนสมาธิมันมันมันง่ายอยู่แล้วนั่งสมาธิน่ะมันยากนั่งต่อไปเถอดอ๋อค่ะพาระอจแต่ก็ยังนั่งนั่งเหมือนถ้านั่งสมาธิได้ต่อไปนอนสมาธิง่ายมาก หัวหลคกาคาอาจารย์ยเพราะตอนลูกไม่สบายเป็นโควิดตอนนั้นน่ะมันเหมือนมันนั่งมันนอนไม่ได้อะค่ะก็เลยแบบเออเราลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลองดีไหมอะไรได้ถ้าถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันนั่งไม่ได้ก็นอนได้อยู อ, อ๋อเดี๋ยว<ม>ถึงเวลามันก็ทําได้เองทำได้ <ทำ S 1> เอง<ด><ช>เหมือนกันมันก็เหมือนกันน่ะนั่งสมาธิกับนอนสมาธิมันก็ทําแบบเดียวกันเลยแต่นอนสมาธิโอกาสที่มันจะหลับมันมากกว่ามากกว่าสมาธิค่ะอาจารย์ แล้วถ้ามันหลับก็เสียเวลาไม่ได้ไประโยชน์ทางทางด้านสมาธิไดอย่างไดอ๋อค่ะพระอาจารย์มันจะหลับง่ายมากกว่าใช่ไหะใช่มันจะเคลิ้ม<า>มันสบายพระอาจารย์มันก็หลับไปสมอนก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทําสมาธิอะไงอ๋อพระอาจารย์ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกโดนความหลงโดนกิเลสอ่อไปวันหนึ่งค่ะพระอาจารย์อพอดีแบบ คือแต่ก่อน่ะลูกชอบทาขนมแบบเบเกอรี่แจกแบบที่น้องๆที่ล้านนะคะกลัวแบบกลัวพนักงานไม่รักอะค่ะพ่อจ๊ะแล้วก็พอพอดีมีแบบมาน้องเขามาพักกะแบบเออแบบพี่ไม่ไม่ทําขนมวันนี้แบบพี่ทําอร่อยนะคะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบติดความหลงนี้ไปแล้วเสียไปวันนึงเลยค่ะพ่อจ๊ะรู้สึกแบบ อ๋อเรานี่แบบไปติดอัดตราไปหลงตัวเองอะไรอย่างเนี้ค่ะอาจารย์ mm hmm. ก็เลยแบบโดนกิเลสหลอกไปวันหนึ่งแล้วก็มาคิดเสียเวลามากๆเลยคะ่ะเพราะไม่ได้ทํานานแล้วมันมันเสียเวลาคะ่ะพระอาจารย์อยก็ก็โดนไปหนึ่งวันคะ่ะพระอาจารย์แล้วน mm ี่ยังไม่ได้ใช้คืนเลยค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่เป็นไรก็ทำใ้สติแล้วก็หยุดทําในสิ่งที่ไม่ควรทำแม่แม่เอาแล้วค่ะพระอาจาร์แล้วมันฟุ้งซ่านเข้ามาในตอนนั่งสมาธิด้วยค่ะว่าเอ๊ะเราทําเราจะยังไงของแบบแล้วแล้วอุปกรณ์แบการี่นี่ลูกก็ให้คนอื่นไปเยอะแล้วค่ะทีนี้ต้องมาแบบรู้สึกว่ามันมาวุ่นวายแบบวุ่นวายใจค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยแม่แม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์้โดนกิเลสหลอกไปหนึ่งวันค่ะพระอาจารย์ อออืคิดว่าเป็นทานอย่าอย่าดมหลอกซ้ำกันแล้วกันคิดว่าเป็นทานนะคะพระอาจารย์ตอนแรกก็คิดค่ะว่าอ้อเราเป็นทานละกันคือแบบเออให้ทานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่แบบมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยค่ะพระอาจารย์มันเสียเวลากับการปฏิบัติของเราล้วทาให้เราเหมือนกับว้าวุ่นเข้าไปแบบไปดูว่าแบบเข้าไปใน u ูทูบเอ๊ะทำอย่างนี้แบบเหมือนลืมค่ะแบบไม่ได้ทานานนะคะพระอาจารย์ เลยหลงไปเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์ดีอได้ทานแต่ไม่คุ้มค่ะพระอาจารย์แบบอย่างที่หลวงตาบอกว่าใช่ค่ะพระอาจารย์นึกถึงคําพูดของหลวงตาบอกว่าเออ่เกงใจทําเกงใจเกงใจคนก็ทํามัแหลกค่ะอือค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวต้องชดใช้ค่ะพระอาจารย์ดีชดใช้ได้กันดี ค่ะพเท่าจรย์เพิ่มสองเท่าไหมเพิ่มสองเท่าค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะน้อมนาปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นตีสี่ค่ะค่ะอาจารย์โอเคสาธุสาธุค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะอสาธุค่ะคนคนเอกเชียงรายยังไงออกพรรษาแล้วจัดรัศกรพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผม ช่วงนี้ก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์แต่ว่าเ อ, อมีมีไม่สบายบ้างครับอาจารย์ในช่วง อ, อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับก็ตอนตอนตอนกลางคืนก็บางทีก็ไม่สบายก็ไม่ได้ปฏิบัติครับอาจารย์ก็รักษาท่าการแต่ก็ตอนเช้าก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ครับก็ต <mentally> <sk ill> ื่นมาก็ปฏิบัติตีสามสี่สิบห้าก็ปฏิบัติอยู่ครับป่วยไม่ป่วยก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์อื พยายามนั บ, บสาระดับไหมครับผมก็ก็สงบดีครับอาจารย์ครับช่วงช่วงตอนเช้าสงบก็ดูลมที่จมูกครับอาจารย์มันก็เย็นที่จมูกเย็นเย็นเข้าไปก็โค้ว่างไปครับอาจารย์โล่งว่างสงบช่วงนี้สงบเป็นเกือบอาทิตย์แล้วครับอาจารย์ครับก็ ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ครับอาจารย์วันนี้ไม่ีคำถามอะไรครับกมากาบพรอารรจารย์ก็มารายงานตัวครับ<ม>พระอาจารย์ครับทไปเรื่อยนะอย่าเพิ่งเท้งนะท่านกิเลยังไม่หมดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดนะครับไม่หยุดครับพระอาจารย์เพราะในใจระลึกอยู่สมองนครับอาจารย์ตอนตื่นมาตอนเช้าบางทีมันไม่อยากจะทํามันก็จิตมันก็บอกว่าเวลาเรามันเหลือน้อยลงไปทุกวันเหมือนกับเทียนที่จุดไว้ มันก็หมอดไม่ไปทุกวันนะครับอาจารย์อก็อยามเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่ครับผมก็เงินลึกอยู่เสมอครับอาจารย์ก็ปฏิบัติทุกเช้าครับอาจารย์โอเคสาธุจารครับผมก็ขอให้ทฐานพอาจารย์แข็งแรงครับผมสาธุสาครับสาธุครับผมขอได้มันจะให้หรือเปล่าไม่รู้นะขอมันได้ <laughs> คุณแอนหนู น, นอนทานี้ขอบคุณมาสรการค่ะครับอาจารย์วันดีไม่มีคําถามคะ่ะโอเคเห็นไปที่คุณจาจ า, ป ล, ลงไงไ ป, าปลอดแลนยังไงเปิดกล้องไหมอะเปิดแล้วขอบคุณมัตรการค่ะครัอาจารย์อเะไรวันนี้ห น, นูวันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรคะ่ะเดี๋ยวอีกสามวันหนูจะบินกลับไทย่ะค่ะแ ล, ค, ะแลคิดว่าอาทิตย์หน้าถ้ามมีปัญหาอะไรหนูก็จะเข้ามาจาก จากคอนโดฟพี่สาวอะมาอยู่นานมกลัมานานไนานค่ะนานค่ะสองเดือนค่ะสองเดือนลางานเนี่หยุดงานทํางานปล่าค่ะหนูทํางานของตัวเองค่ะวิชาเอกของตัวเองแล้วอะไไปตรงไหนก็ได้ก็หยุดปิดบริษัทไปอย่างนี้นะยเป็นยุคหนึ่งทําต่อที่จะเปลี่ยนที่ใช่ค่ะคือแค่มีอินเทอร์เน็ตหนูว่าทาได้ที่ไหนก็ได้โอเคนี้ยุคนี้สมัยนี้ใช่ เมื่อกี้หนูได้ยินพระอาจารย์พูดกับพี่คนหนึ่งเรื่องที่เอาเข็มจิ้มหรือว่าสามารถที่ข่าใช่แล้วก็แบบไม่รู้แบบทำไมทาไมไม่เห็นอะไรแล้วหนูมันก็แบบอยู่ๆมันก็เข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อเนี่ยนี่เองที่ความที่ร่างกายกับจิตมันแยกกันแต่ที่หนูคิดคือหนูนึกไปถึง เวลาหมอผ่าตัดอย่างพี่วีเลยแหละอย่างเงี้ยนะคะหมอวี<ม>ที่ผ่าตัดสมองแต่ว่าคนไข้ยังต้องตื่นอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>คือมันไม่ได้เหมือนกับการหลับอะไรเลยเรายังรู้สึกตัวทุกอย่างแต่แค่ว่าทางวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะเป็นบล็อกส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์โพทภาพวิญญาณเหรอคะออที่เป็นช่องที่เป็นที่จะเป็นตัวทำให้าาเกิด อ, อาการเจ็บขึ้นมาใช่ค่ะก็คือหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยก็เนี่ ย, เ, ยเราก็มีสติทุกอย่างไม่ได้หลับแล้วก็ ส่วนผิวหนังส่วนอื่นที่ไม่ได้ถูกบล็อกก็ยังจิตก็ยังไปรู้สึกได้แต่จุดนี้เท่านั้นที่เขาทําการผ่าตัดไม่รู้สึกเพราะว่าเหมือนแบบเออเราพอดีเราเข้าใจวิธีกรรมวิธีที่จะไปบล็อกท่องนี้ไง่งเงหนูก็เลยเข้าใจเอาขึ้นมาอยู่มันก็ออกขึ้นมาว่าแบบอ๋อนี่เองที่มันที่ว่าแยากกันเอ้ก็เลยกลับกลับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สาธุเลยตัวที่แสดงก็คือจิต แตถ้าเราฝึกิตให้มันเข้มแข็งให้มันมวเดคามันก็จะไม่สดุกก็จะเฉยเฉยอืมค่ะหมายถึงโดยที่เราไม่ได้ต้องไปบล็อกอะไรใช่ไหมคะอ่าถ้ามันมันบล็อกไม่ได้ถ้าบล็อกได้ก็บล็อกไปแล้วเกิมันอยู่ในเหตุการณ์ที่บล็อกไม่ได้มันมันก็ต้องมันก็ต้องทําใจนะเฉยเฉยอย่าไปทุกข์กับมันอ่าเช่นกับไปเกิดอุบัติเหตุก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะเจ็บปวด ไม่มีอะไรบล็อกตอนนั้นใช่ไหมเราก็ต้องใช้ใช้สติใช้ปัญญาบล็อกไม่ให้ใจไปเจ็บป่วยกับมันอดี๋ยวต้องอย่างอย่างนี้ยังไม่มีการบ้านนั้นเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะยังไม่บททดสอบนั้นยังไม่มีการสอนใช้ยาบล็อกมันไปหาหมอหมอหมอเขาฉีดย า, ายชาให้ก็ไม่ได้ครับถ้าเราบอกหมอนี่ไม่ฉีดยาชาดูเป็นยังไง น่าทิมน่าสนน่าจะต้องฝึกสติมากกว่านี้ก่อนนะคะก็นั่งสมาธิไงน่าให้มันเจ็บแล้วอย่าไปอย่าไปขยับไงค่ะเป็นวิธีฝึกุให้มันสู้กับความเจ็บปวดทางร่างกายต่อไปอ่ะผมเคยทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือทําไม่เคยได้อีกเลยเพราะว่าไม่อยากทำเหมืนกินเลมไม่ชอบใช่ค่ะเลยทุกครั้งเ่ย เราลองทําได้ได้ทุกครั้งต่อไปไม่ต้องทําให้จนถ้าเราชิ้งอู่มันไม่กลัวความเจ็บมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเหมือนจิตมันแบบอยู่ๆมันก็บอกว่าเออพอเถอะแล้วก็ลืมตาแยางแยตลอดเลยค่ะช่วงช่วงหลังๆอ่ะดูก็แบบทำไมถึงไปถึงตรงนั้นก็เกลียดพอถ้าไม่อยากจะทนต่อไปนะ แล้วแบบแล้วทําไมวันนั้นตอนครั้งนั้นมันไปถึงได้ครั้งหนึ่งหนูก็เลยแบบมันก็ที่ทว่าเขาว่ากันว่าจิตไม่เที่ยงเนะาะก็เรามีมุ้งมาหน้ามันก็ไปถึงเหมือนปีนเขาไปเกือบจะถึงยอดแล้วพอแล้ว<อ>ใช่ค่ะ<า>อาจารย์ถูกต้องเลยจริงด้วยอืมเดินมาตั้งไกแล้วมันใช้เวลานานมากเลยนะคะอาจารย์คุณมันจะถึงจุดปวดอ่ะบางทียิ่งข้านั่งรุนบอกเลยพอรุนบอกจนเล้วก็เราก็พูดโธพูดโตต่อทำงานให้มันทําค่ะ นั่งเฉยเ น, นั่งเฉยฉยมันก็ไปไม่ไหวอืมค่ะเอาพุโทโธไปรุ้สวดอิติปิโสไปก็ไดนะ้ค่ะได้ค่ะหนูจะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ ะ, ะคุณโอพีแ ค, คร์เกตวิศวกรรพระอาจารย์เจ้าค่ะทีนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ ตั้งใจเข้ามากับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะยังนำไปปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะตั้งใจปฏิบัติบูชาเต็มที่เลยเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เป็อยางสูงเจ้าค่ะสุปฏิปันโนนะปฏิบัติบูชาต้องสุปฏิปันโนปฏิบัติดีวันนี้ปฏิบัติเต็มที่แล้วปฏิบัติดีเต็มที่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มเห็นผลมานี่เจ้าค่ะ ได้เปลี่ยนเื้อเจ้าะอาจารย์แต่ขอว่าคุณพระอาจารย์เป็นอย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์แข็งแรงนะเจ้าค่ะตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เจ้าค่ะยังไม่ทิ้งเจ้าค่ะูนี่กันันนี่ซันนี่แบงก์ก็แค่ปล่อตัวนั่นเลูกวันนี้ไม่มีคาถามค่ะพระอาจารย์โอเคฟังตอไวดรวยนะงานคนต้นติตเพงงา ยังไงก็แข็งแรงค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวรอวันที่ยี่สิบสี่ค่ะไปส แ, แกนแล้วก็ยี่สิบห้าก็จะขับรถไปที่วัดยานเลยค่ะพระอาจารย์อืมเอาเลยเอาเ ล, ลต่อไปสู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์หนูมีคําถามค่ะพระอาจารย์พอดีหนูดูคลิปหลวงตาบัวในทิกต็อกอะค่ะพระอาจารย์หลวงตาบัวท่านก็พูดเรื่องโครงการช่วยชาติใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วท่านก็บอกว่า โครงการนี้ยท่านอ่ะไม่ได้ปรึกษาใครเราปรึกษาอย่างเดียวคือปรึกษาธทรำรแล้วก็พระอาจารย์ก็าบอกว่าเวลาเราคิดอะไรที่คิดไปในทางธรรมะอยากให้พระอาจารย์ขยายขยายความให้หน่อยค่ะสําหรับแบบบุคคลทั่วไปที่เที่ยงต้องใช้ชีวิตในในการทํางานชีวิตประจําวันอยู่อ่ะค่ะคือ ท, ทำว่าคือความถูกต้องดีงามทำอะไรที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ ค่ะไม่เกิดไม่เกิดโทษไม่เกิดความเสียหายกับผู้อื่นนะค่ะทำนัก็พิจารณารอบก็ทําไปแล้วมีโทษไหมไม่มีมีคุณไม่มีท่านก็ทําไปนะถ้าไม่ได้มาถามใครถ้าไม่ได้สนใจรายละเอียดว่าโครงการช่วยชาตินี้ต้องไปใช้จ่ายเงินไอเอฟท่าลงเท่าไหร่นี่ท่าไม่ไม่ได้ไปดูรายละเอียดบ้าท่านดูแต่ว่าสามารถที่จะทําให้ช่วยให้ บ้านเมืองดีขึ้นไหมทําให้ประชาชนที่อยู่วุ่นวายใจน้อยลงหรือเปล่าทุกน้อยลงหรือเปล่าอมันมองที่จิตใจของคนด้วยนะถ้าไม่ได้มองแต่ตัวเงินอย่างเดียวบางคนบางทีมันทุกข์เพราะโลภอยากได้ไม่อยากเสียอะไรทุกกันแต่ถ้าเรามาสอนให้ยอมเสียมากเสียชรแาแบ่งปันกันช่วยเหลือกันนมันก็มันก็ทําให้ใจไม่ทุกข์กับ ความโลภเพราะมันตัดความโลภอย่างง่ายเพราะมันเริ่มยอมเสียแล<ฆ>้วมันสนใจตรงนั้นมากกว่าสินใจที่จิตใจของคนที่กําลังทุกอยู่ทุก<ฆ>คนกลัวจะกลัวเขาจะเสียนู่นเสียนี่<ฆ><ฆ>แล้วก็หมอามาสอนว่าเป็นธรรมดาเดี๋ยวโรคนี้เดี๋ยวตายไปก็เอาะไรไปไม่ได้ค่ะ<ฆ>อย่าไปห่วงเงินเยอะนักทาให้เราเครียดกับทุกข์กับมันเล ทำให้เราเกิดความสุขในบานด้วยการให้เหมือนการช่วยเหลือชาตินะะอื อ, อก็คือทำอะไรก็ได้ให้มันให้มันเกิดประโยชน์หรือว่าคิดไปในทางธรรมะคือให้มันไม่ผิดสีอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ผิดสีไม่เกิดโทษกับใครมีแต่คุณเกิดประโยชน์อือแต่สำหรับคนทั่วไป อ, อหนูอะตามคาเข้าใจหนูคิดว่าเหมือที่พระอาจารย์เคยสอนเหมือนถ้าอย่างนักปฏิบัตินะค่ะคําว่าคิดเป็นในทางธรรมะความหมายคือเอ่ออะไรก็ตามถ้าเราคิดจะทําแล้วถ้ามันรู้สึกว่ามันมันขัดขวางต่อการปฏิบัติก็ ก, ก็น่าจะไม่ใช่หนูเข้าใจแบบแบบนี้นะค่ะพระอาจารย์ได้ถูกต้องถ้ามันมันเป็นตำลาการปฏิบัติของเราเราก็อย่าไปทําค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกเรือ่องที่ยังว่าทํำไมมันกรณีจําเป็นฉุกเฉินบางทีต้อง ต้องต้องทำก็ไม่เป็นไรบางทีต้องไปช่วยพ่อแม่ก่อนอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องต้องยอมจะ <c oughs> ต้องทําอำแต่ถ้าไม่จําเป็นคิดว่า <c oughs> ไม่ทําได้ก็คือไม่ต้องไปทํามันอไม่ต้องไปทํามันดีกค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องที่อาจจะรายงานพระอาจารย์นะคะในเรื่องของการภาวนาพุทโธคะ่ะหนูอ่ะตอนแรกก็ยังยังไม่เข้าใจพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะแต่ว่าหนูก็ถืออย่างหนึ่งคือเราทําตามครูบาอาจารย์แล้วเดี๋ยวดีเอง หนูก็เลยลองพุทโทรไปเรื่อยๆเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะพอตอนนี้หนูก็เลยเข้าใจว่าพอหนูเริ่มพุดโทรหนูรู้สึกหนูรักพระพุทธเจ้ารพระธรรมพระสงฆ์อ่ะคะ่ะมากขึ้นนะคะเหมือนอินอินกับพระรัตนาตรัยมากๆเลยค่ะพระอาจารย์อืมแล้วก็เราก็เออ่เวลาว่างเราก็จะหาอ่านธรรมะหรือว่าดูเกี่ยวกับเรื่องราวพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันมันมันเป็นไปเองเลยค่ะพระอาจารย์ได้มันทําให้เกิดศรัทธามากขึ้น ค่ะดอนฉันท้ามือนความรักความเชอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะก็คือเหมือนพระอาจารย์บอกทําอะไรก็ให้พุโทโธหนูก็พุโทโธพุโทโธแล้วแบบแต่ละวันนะคะมันรู้สึกว่าทําไมเราลักแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมเรารักพระพุทธเจ้าอันนี้มันมั น, ม, นมันปกติใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่ที่คนปฏิบัติแล้วจะรู้สึกว่าศรัทธามากขึ้นเราเอง ค, คุณคุณประโยชน์จากการที่เราเรา่างถึงพระพุทธเจ้ า, ท ำ, จาทำให้ใจเรามีสติทําให้ใจเรานิ่งสงบค่ะ แล้วก็หนูหนูก็รู้สึกว่าเออก็ก็เข้าใจแล้วทําไมแบบเอพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านแบบใจดีท่านท่านมีเมตตาพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นสารณะที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราเรายึดจริงๆอาาะค่ะแต่เมื่อก่อนนะยึดจริงมากไม่จริงมากใช่ค่ะว่าเมื่อก่อนนั้นยังไม่เข้าเข้าไม่ถึงไม่เห็นคุดพระคุณจริงๆว่าเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ค่ะใช่รู้สึกว่ามันมันแค่เราแค่ เชื่อเราตามคสอนมาใช่ใช่ใช่ชื่อแตใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่าใช่ใช่ใช่ใช่ใิ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตร่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ต่ใจ่ใช่ใช่ค่ใช่ใ่ใช่้ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ะช่้ช่ใช่้ช่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่าช่าช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใช่ใช่่่ใ่่ใช่ะช่ใ่ใช่ใช่่ใ่ นั่งติดแล้วนั่งติดใจใช่ ใ, <น>ใชแล้วแต่หนูยังไม่ค่อยนั่งสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์หนูไม่รู้จะแ ก, ก้ ย, ยังไงค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ฝึกนี้ไปก่อนเดินไปบ้านแล้วเรานั่งก็พุโทโธเหมือนกันไม่ก็ไม่มีเตรียมต้องทําอะไรพิเศษค่ะต<า>อนเดินด้วยแล้วอยากจะนั่งเฉยๆก็นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปนั่นเองใช่เรารู้สึกว่ามันมันมีความสุขเมื่อก่อน บ, บังค<ม>ับตัวเองค่ะมันเครียดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าว่างก็นั่งพุโทโธพุโทโธบางทีแบบ กูอ<ค>ยากใครก็บางทีโอ้ก็ไม่ได้ฟังแล้วก็พูดโทไปเองอะไรเงี้ยค่ะบอาจนั่นแหละก็นั่งสมาธินั่นแหละเดี๋ยวมานั่งสมาธิค่ะถ้าอาจารย์มีอะไรอยากจะเสริมหรือแนะนําเพิ่มเติมไหมคะก็ะเวลาไม่นั่งสมาธิก็ให้คิดถึงความแก่เจ็บตายของเ่าตายด้วยค<ะ>ือมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ดินน้ําโลกไฟค่ะมันเหมือนขนมเคก้อนหนึ่งนม<ะ>เคก้ก็ทํามันจากแป้งจากอะไรค่ะ อย่างต่อไปมันก็มันก็ขับเปนสู่สภาพเดิมของมันเลยแยกกันหนูก็พยายามนึกถึงคำผู้อาจารย์สอนตลอดก่อนนอนนะคะว่าเอาร่างกายกับจิตแยกกันนะคะการที่หนูกินนอนหนูซื้อของมันเป็นความสุขของกายอะคะ่ะแต่การที่หนูแบบภาวนาพุโทโธนี่คือจิตใจเราต้องการแค่นี้นะคะ่ะจิตใจเราไม่ไ ม, ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องต้องใช้อะไรเลยะคะ่ะเข้าใจถูกใช่ไหมคะถูกถ้าจิตมีความสงบมีความสงบแล้วมันไม่ต้องการอะไร หนูก็นึกถึงที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าตายแล้วก็ร่างกายไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรามีแค่จิตจิตต้องการเสพแค่ความสุขจากจากสมาธิจากความสงบอย่างเดียวจริงๆแล้วอืใช่ไหมค่ะใช่จากธรรทานด้วยจากรักษาศีลด้วยจากปัญญาด้วยค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มีคำถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุไปสัปดาหไปกราบนะคะพระอาจารย์ย่าเชิญเลยจ้าได้ ไปที่คุณมาเลยพุทธาการการหลงพ่อค่ะต้องปิดอันลําก่อนมาเลยเสียงมันเียงมันรับควรจะโอเคงพ่อได้ได้ยินอยู่ไหมคะอ่าได้ยินแล้วค่ะเราก็ยังปฏิบัติอะไม่แล้วค่ะ ไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ได้เปิดอะไรแล้วคะ่ะมันเสียอะไรมันเสียงอ่าหยุดนะอ่าค่ะโอเคพูดนะก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อก็มันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งกายทั้งใจแล้วก็มีความพึงพอใจในการที่จะปฏิบัติต่อไปอีกครับหลว่อแล้ว ม, มันก็จะตัดค่ะมันก็จะตัดสิ่งที่ เหมือนถ้าเกิดต้องไปเดินไปเที่ยวไปอะไรเงีมันไม่เอาเลยค่ะหลวงพ่อมันตัดตรงนั้นออกไปเลยค่ะคือมีเวลาหนูก็จะหาแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวหรือว่าเปิดธรรมะมเปิดอะไรอเงี้ยฟังค่ะลดถังทำแล้วนะลดทำบวกค่ะหลวงพอ่อมันตัดมันตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เคยทําแล้วมันก็ไม่ได้ไปทําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ มาปฏิบัติด้ีกว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับรแถังทำแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้ ว, ลวยิ่งเราใส่ใจในการปฏิบัติเนะีหลวงพ่อเขามันมีมันมีอะไรมาให้เราได้รู้เหมือนให้เราได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกอย่างนี้ค่ะในการปฏิบัตินะค่ะอนุน้นเห็นมากน้ำรู้มากน้ำเก้าใจมากขึ้นไปเรื่อยค่ะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมัน แ, แล้วช่วงนี้หนูจะเห็นภาพที่ เขาเผาศพอะค่ะหลวงพเผาแบบภาพสดๆอย่างเงี้ยค่ะหลงพแล้วจิตมันจะคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนให้มันใจมันเคยเคยไปปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหค่ะดีแล้วละ่ะทำให้มันจะได้ไม่กลัวไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายค่ะหนูพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยเมื่อสักครู่ที่คุยกันเรื่องเรื่อง เอสั่งโยนนะคะหลวงพ่อสั่งโยนห้าข้อแรกนะคะแล้วแล้วข้อที่สี่กับที่ห้าค่ะมันมันหมายถึงว่าเป็นเป็นกรรมระหว่างคู่คู่คู่ครองอย่างนี้หรือเปล่าปฏิฆากับกับกรรมอย่างนี้ค่ะมันนมันเวลาเกิดการมมาแล้มันก็จะเกิดปฏิฆาตามมาการวนอย่างนีหมายถึงเฉพาะ เฉพาะคู่คู่สา ม, มีภรรยาอย่างนี้ใช่ไหมคะหรอไม่หรอกับใครก็ได้ถ้ามันเห็นแล้วมันเกิดการมาลงขึ้นมาค่ะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราผ่านตรงนี้มาเกินสี่ห้าปีแล้วค่ะโดยที่ทั้งทางกายทั้งความคิดทั้งจิตใจเราไม่ได้มีความคิดเรื่องตรงกาามอย่างนี้ค่ะแต่เราเราก็ยังถือว่าเราวางใจไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันมันหมดแล้วหรือ ย, อยังไงก็ เาทก็น้องทดสอบหนูให้เป็นดูภาพที่มันกระตุ้นอารมณ์ดูแล้วถ้าเกิดหนูดูหนูเห็นแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยถือว่าเราจะกค่อนค่อนข้างจะผ่านใช่ไหมคะหลวงพ่ออต่จะผ่านแบบครัาเทามวนหรือไม่นี้ก็ยังไปต้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะหลวงพ่อ ว่าบางทีมันซ่อนมันหลบมันซ่อ น, อ น, นอได้อ๋อค่ะหลวงพ่อผ่านมานานมากแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็ลองลองเคาเรียกวอะไรคะอย่างในจิตใจของตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรทั้งกายทั้งใจถ้ า, า, ถ า, าไม่มีการดีก็โอเคไปครับแต่แต่ก็ยังนอนใจไม่ได้นะคะใช่ไหมคะก็อย่าประมาทก็แล้วกันค่ะ แต่ไปจะ อ, อยู่ในสภาพว่าเวงงเหงาขึ้นมาก็เกิดอ า, อารมณ์นี้เกิดขึ้นมาก็ได้<ส ør>เรายังไม่ได้อยู่ในสภาพที่มันทําให้มันเกิดขึ้นมาเราก็ยังไม่รู้ถ้าเราต้องไปอยู่คนเดียวอยู่เราอยู่เงามไม่มีอะไรให้เราได้ ส, ไดสัมผัสเลยมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ใช่คุณก็หนูวันนีน้ก็ไม่มีคําถามแนละ้วก็เดี๋ยว อประมาณใกล้ๆไปเดือนนี้หนูก็จะไปอยู่วัดค่ะแล้วก็แล้วก็เดือนธันวาก็จะไปขึ้นเขาอ่ะค่ะจองได้เรียบร้อยแล้วะค่ะได้ดีโอเคค่ะวันนี้มีเท่านี้รายงานหลวงพอเท่านี้ค่ะได้ครับท่านอาจารย์ขอบคุณหลวงพ่อค่ะอไปที่คุนันทะลีชเชสนนันทะเลพัทยาไก่ในมรสการเจ้าของ พ อ, อลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเพราะฟังมาเยอะทุกอย่างที่อยากรู้คนอื่นเขาถามหมดแล้วเจ้าค่ะก็ะดีโอเคสาธุเจ้าค่ะยินไปที่อาจารย์สายทิพย์ก็อาจารย์สายทิพย์อาจารย์สอนอยู่ที่มหาสารคามใช่ไหมใช่ค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมีเด็กที่เรียนอยู่แถวนี้เขาบอกเขาสอบติดมาหาสารคามมา มาหาได้นะคะคณะแพทย์แน่นอนเขจะไปเขาจะไปเรียนจิตแพทย์แล้ะครับโอ้ดีเลยค่ะมียังไม่มีคณะจิตแพทย์อยู่มีคณะแพทย์ค่ะพระอาจารย์จิตแพทย์จะต้องต้องไปเรียนทีเศียรษะเฉพาะทางค่ะถ้าถ้าถ้ามาเรียนตอนแรกน่าจะยังไม่ได้เรื่องค่ะพระอาจารย์ต้องแพทย์ตนเด็กๆนี้เก่งสี่จุดมาตลาดนะสามมาได้ที่หนึ่งตลาด ถ้าสนใจทางทางจิตเวชก็มาทักทายกันได้ค่ะอาจารย์เพราะหนูสอนทางไซคายหนูก็มาทางจิตเวชแล้วก็ทําวิจัยทางจิตเวชเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะก็ไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติหยันลงแต่นี่กลับมาอยู่บ้านนะก็ยังอยู่ที่อ่ตอนแรกตอนแรกว่าจะไปบ้านสวนค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะพวกนี้ชาวก็ต้องรีบมาทําอาหารให้คุณพ่อ เปลี่ยนวันดีกว่าค่ะเลยคุยกับคุณพ่อว่าไปสักสวันศุกร์วันเสาร์ค่อยไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าก็คือถ้าถ้าไปวันนี้พ่ออยู่บ้านพวกนี้หนูก็ต้องรีบกลับมาบ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติดแบบับต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะสู้เปลี่ยนวันดีกว่าอ๋อวันเสาร์วันพ่อไม่กิเข้าอนะอ้ามีพี่สาวอยู่ค่ะแต่ว่า วันพุธเป็นเวนหนูกลับบ้านแล้วก็เช้าเช้าวันพฤหัสตื่นจะต้องเป็นเวนหนูทําอาหารเช้าค่ะกับพี่สาวตลับเป็นกันมีมีมีเวนมีตารางเวนค่ะพี่สาวเลยบอกว่าไปก็ได้แต่ต้องกลับมาทําอาหารให้คุณพ่อนะก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็จะรีบมาดีกว่าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์หนูฝันอีกแล้วมีแต่เรื่องฝันไม่เนก็ฝันก็รู้ว่าวันฝันกันอะไรไม่ใช่ันนะ ก็อ er ช่วงนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ youtube ก็ตอนเช้าก็มีรำมาเปิดเองบ้างเป็นบางครั้งบางข่าวมีของพระอาจารย์ด้วยนะคะมีวันนึงคิดว่าเอ๊ะทําไมของพระอาจารย์ไม่เคยเด้งเลยนะก็ก็มีเด้งขึ้นมาอยู่เหมือนกันคะ่ะหรือว่าหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราหรือเราอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหรือเพราะเราเปิดค้างไว้แล้วพอมันเหมือนแบบ ถึงจังหวะหนึ่งที่แบบการนอนหลับของเรามันเข้ามาสู่สเตจที่มันตื่นง่ายก็เลยได้ยินพอดีแต่บางทีมัน ก, ก็ไม่น่าจะใช่เพราะบางทีก็เป็นหกโมงเช้าเจ็ดงเช้าอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แบตน่าจะหมดแล้ว <c oughs> มีคนเปิดให้ฟังคนอื่นก็พยายามปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ชอบนั่งสมาธิแต่ทีนี้ เราจําเป็นที่จะต้องสวดมนต์ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอ่าไม่จําเป็นอ่ะถ้าเรานั่งสมาธิได้ไม่ต้องสวดก็ได้นอกจากเรายัดชอบสวดอย่างนี้สวดก็สวดไปหนูหนูไม่ค่อยชอบค่ะหนูชอบนั่งได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องสวดอ่ะไม่ไม่ต้องสวดนั่งไปเลยได้ก็ไม่ต้องสวดที่เขาสวดกันวบางทีเขนั่งสมาธิกันไม่ได้เอายการสวดเป็นการนั่งสมาธิไปพังพานก่อนค่ะ อเ <Okay. laughs> แต่การสวนนี้มันจะไม่สงบเท่ากับการนั่งสมาธิอืเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าเอ๊ะหรือว่าควรจะต้องสวดมนต์เพราะว่าเหมือนเวลาไปวัดถ้าสวดมนต์เยอะๆจะไม่ฝันเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนก็จะนอนเงียบไปเลยก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราควรจะมาสวดมนต์ก่อนนอนแต่ว่าหลังจากที่นั่งสมาธิไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเวลานอนหลับจะฝันไม่ฝันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญไม่ต้องกงวล ค่ะงั้นก็นั่งสมาธิไปเลยก็หลับไปกับสมาธิไปเลยค่ะโอเคค่ะไม่มีคำถามอาจารย์เดี๋ยวแค่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสาธุจ้ะสาธุค่ะอ่าคุณมนิกานาฬิกาว่ากับนักมัสการเจ้าขาพ้าอาจารย์ ลูกก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะรักษาสีนแต่อยู่นะที่แล้วแล้วก็มันจะเริ่สติอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ได้ค่ะผู้จัดารโอเคที่มีคําถามจากถามผู้ดการคุณดังหน่อยคุณใกล้หน่อยเสียงค่อยไปหน่อยไม่ได้ยินหรือคะผู้จัดการอ่ได้ยินนะนังหน่อยใช่ไหมคะอ่าก็อยากถามผู้จัดารว่าการที่ เขาไปล่าเนื้อสัตว์มาแล้วก็เอามาให้เราทานแล้วก็เราทานเข้าไปนั้นเราจะเป็นบาปไหมค่ะป้าจา๋าไม่บาปถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาไปทํามาให้เราเจะขาด ป, ป้าจา๋าถ้าเราสั่งเข้าไปหาเนื้อสัตว์ให้กินไหนอ ย, อย่อมบาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเขาเอามาให้มาทำบุญ ม, มาทมํา ท, ทานนี่รับไว้ไ ม, ไม่บาปเหมือนกับพระเนี่พยพระก็มีคนเอาเนื้อสัตว์มาถวายอยู่เป็นประจํา แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพอเรากลับมาอยู่บ้านแล้วก็เห็นการการทํางานของคุณแม่ทํางานทั้งวันแล้วก็อายุก็มากแล้วก็เลยว่าอ๋ออย่างนี้เองหรือที่ได้พระอาจารย์เคยสอนว่าอย่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ร <No ู้กี่พวกกีชาติแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วเราละ แล้วเราหลังเราจะอยู่อย่างนี้หรือก็อย่างนั้นก็ทําให้เราจะต้องเร่งภาวนาเพิ่มค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งมากที่สุดเลยว่าเพราะการที่เรามานั่งฟังธรรมแล้วก็เอาน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติบบนั้นได้ผลมากอย่างมากมากอย่างที่สุดในคําเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่านี่ทำต่อไปนะนะมาว่าค่ะเพราะว่า สิ่งหนึ่งก็งเคยเห็นว่าคือบอกว่าทุกเนาะทุกคนที่เกิดมาในในโลกใบนี้แล้วก็ยังเรียนไหาใจปื๋อจืดทุกมากมากเลยจะต้องหาเงินหาเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายในแต่ละวันยิ่งตอนนี้นะมันเศรษฐกิจมันปื๋อเคืองนี้แต่ละคนไม่ว่าจะถึงขั้นกันงั้นไหมครัอาจารย์ถ้อย่ามาเกิดอันนีส่นวนการเริ่มทุกนะครับอ า, า, าจารย์ก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ จะเดินสติอยู่เพราะว่าตอนอรู้สึกหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาตอนไหนก็พยายามที่จะเดินสติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ได้คอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดนะค่ะสาทุค่ะไม่มีคำถามนะคะอาจารย์อ่าสาธุคองแม่ลูกติดต่อกันหรเาเกินนี้ไม่โผมา น่าจะไม่ว่างกับพ่อานก็พงนี้นั้นเราจะขึ้นไปทำบุญที่องนาเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรทำดูเฉยทำดูเฉยไม่มีไม่มีไม่มีประเด็นอะไรอาจจะไม่ว่างก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องไปบอกเขานะโอเคคุณปู้ตาคุณปู้นักสำรวจ กนมาสการค่ะพระอาจารย์ว่าเป็นยังไงสบายดีค่ะพระอาจารย์ไม่มีปัญหาค่ะ อ, อ mm. โยมอะปฏิบัติตามพระอาจารย์ตลอดยมไม่มีปัญหาโยมจะน้อมนําบุญมาถวายพระอาจารย์และยม <Yeah. S 1> จะบอกกับพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ยยมจะต้องไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข่งๆยมจะต้องไปเรียนทีนี้โยมตัดสินใจนาะทีสุดท้ายเลยคือใจมันไม่ไป โยมก็เลยว่าไม่เอาไว้จะถือศีนลนะจะปฏิบัติธรรมโยมเกณฑเละไปหน่อยโยมก็เลยขอพระพุทธเจ้าขอเข้ามานะฮะวันเนี้ยโยมไปปฏิเสธโยมเปลี่ยนโปรแกรมไปเรียนบีนา้าโยมจะปฏิบัติธรรมให้ถึงสิ้นปีเลยเออไหนๆก็ทําเราก็ถือศีลเจ็ดศีลศีลแปดของเรามาแล้วเราต้องทําให้สําเร็จแล้วมันใจมันไม่อยากไปพอาจารย์มันคือมันมันมีความรู้สึกว่า เรามีความสุขที่ได้สวดมนต์ได้เจริญจิตภาวนาเ อ, อ่อถือแล้วมันทำให้เราไม่อยากจะยุ่งกับใครอะ่ะอาจารย์ถ้ามันได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลการเรืนนะ่การเป็นเดแล้วใช่และมันคือมันเราเรียนเราเรามีเราแบ่งเวลาก็เลยอธิบายให้ทางอาจารย์บอกว่าฉันมีความคิดดีๆฉันออกกุสโลบายไงฉันมีความคิดดีๆฉันจะใช้ e-learning แล้วอยู่ไม่ต้องมาสนใจกับฉันเพราะว่าฉันมีโรคส่วนตัวแต่เราเราไม่ได้ไปอธิบายให้เขาฟังว่าเราจะใช้เวลาทำอะไร น, นั่นม่นเรื่องส่วนตัวของเราเราเอก็เลยเราต้องตื่นแต่เช้าและแบ่งเวลาเหมือนกับวิ่งแข่งกับตัวเองอะพระอาจารย์อือฮเออพระอาจารย์ว่าดีไหมดีต้องยายอย่าขี้เกียจใช่เพราะว่ า, ม ย, ายมยมย ม, มันมันยมมันไม่รู้สึกว่า ถ้าออกไปแล้วเราต้องไปยุ่งเราต้องไปวุ่นวายเราต้องแบบมันมันหลายๆายสิ่งหลายๆอย่างพระอาจารย์และอย่างหนึ่งคือเราโยมโยมลองทดลองออกไปทําธุระทาอะไรแล้วโยมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอายุเราครึ่งศตวรรษแล้วมัวชักช้าลำลายอยู่ทำไมและโยมรู้สึกเดินมาทางนี้แล้วตั้งหลายเดือนแล้วเราทําแบบเพ่งเพแล้วมันใจมันไม่อยากไปแล้วอ่ะอาจารย์ลงแล้วแหละ ปฏิบัติอันนีที่สนะปฏิบัติธรรมนี่นเพราะว่าเรา ม, มันไม่มันไม่ได้ว่าเราทําแล้วเราจะไปขอความร่ํารวยแต่ว่าใจมันสงบแล้วอย่างสมมุติว่ามีโยมมีเรื่องมีบททดสอบเข้ามาทดสอบใจโยมเอ่อเหมือนกับแฟนเก่ามันก็ทรงภาพมาเออเราบอกว่าเราทําให้ใจเรามันถ้าเกิดเราเป็นเมื่อก่อนคนสมัยก่อนที่เรายังไม่เคยเจอพบเจอกับพระอาจารย์ โยมอาจจะวุ่นวายอาจจะตีโปยตีพายแต่พอโยมเห็นเขามีความสุขโยมก็เฉยๆโยมก็รู้สึกเดินผ่านได้แล้วก็กลับมาเล่นสมาธิเออเราก็ไม่รู้สึกกระทบมากนะนีฮต้องความสุขจากสมาธิมันดีกว่าการใช่ค่ะพระอาจารย์แต่โยมมีอติดกิเลสดะโยมมีกิเลสที่ซึ่งโยมอยากจะให้พระอาจารย์ อยากจะเรียนกับพระอาจารย์เพราะว่ามันจะเป็นบาปอะโยมมาติดเกมไม่ติดทำไมล่ะติดก็เลยมันเลอ่าไปดูมันเลยถ้ารู้ว่าติดใช่โยมไปดูเกมแล้วทีนี้ไปเล่นเกมแล้วโยมก็ติดเหมือนเด็กๆเลยทีนี้โ<ม>ยมพยายามจะออกจากเกม น, นี้ได้งไงเ<ม>ออเพราะว่าแต่มันไม่ได้เรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องไร้สาระนะพระอาจารย์เพราะว่าโยมก็รู้อ่ะโยมรู้ตัวว่าเออไม่ใช่เพรา แ ต, แต่พอลายยมเล่นไปนะยมก็จะเหมือนจะมีอะไรมาสอนโยมอะ่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องไปสวดมนต์แล้วไม่ได้ไม่ไดไไ้ต้องไปนั่งสมาธิคือยยโมจะเป็นอย่างเนี้ยคือมันไม่บาปใช่ไหมพระอาจาร ย, มยามมา์มันเสียเวลามันไม่บาปเสียเวลาแล้วอ๋อค่ะแล้วเวลาที่ยมนั่งเนี่ยนั่งชั่วโมงกว่าเกือเสักสองชั่วโมงแล้วยมก็เว้นไปมาทําธุระ ก, กินข้าวกินอะไรอย่างเนี้ยแล้วยมก็ไปนั่งต่ออย่างนี้จะเป็นอะไรไหมคะ ไม่เป็นเราก็นั่งได้ถ้าหลัก็นั่งไปนั่งไม่ไหวล้วก็พักก่อนเหมือนเดินนะเดินไปทักพักมันมันเดินไม่ไหวก็พักก่อนพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไปทําต่อไปเมื่อสองวันที่แล้วยมทําอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้เดินไปเอาไปข้างนอกแล้วเพราะว่าฝนมันไม่ตกยมยมก็เดินไปกับหมาแล้วยมก็พุทโธพุทโธพุทโธไปได้เกือบพันกว่าพันกว่าพุทโธเพราะยมมีตัวกดไปด้วยไง แลนะ ม, มันเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งเวลาโยมพุธแล้วก็โทโยมพุธกระโทเป็นครั้งแรกที่โยมทํานะมันรู้สึกใจมันนิ่งมันเหมือนกับมันอะไรมันหนิงแล้วเราเรารู้สึกนิ่งแล้วเรารู้สึกสบายมากก็ดีถูกต้องแล้วพุทโธจะทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราว่างเนี่ยแล้วคือคือโยมไม่อยากจะเกเรเพราะอะไร ยมนึกถึงเรื่อยเลยเพราะว่ายมเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันยมกลัวเดี๋ยวถ้าเกิดยมเกเรแล้วเดี๋ยวยมฝันถึงลงตะ บ, บัวอีกเออยมกลัวยมจริงๆนอะไม่ต้องกังวลนะเรื่องฝันมันจะฝันแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ออโอเคยมไม่ไไมีอะไรหรอกค่ะยมอ่ะจะมาถวายจะมากราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็มาถวายบุญกับพระอาจารย์แล้วก็ โยมจะมาขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่าาาะอช่สาธุพวนี้หวยออกนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้พรถ้าบอกให้รู้เฉยๆพ่งนี้หวยออกพอโอเคกลัวเลยพระอาจารย์บอกว่ากลัวพระอาจารย์จะอวยพรย <c oughs> อันนี้อยู่ที่บุญใครบุญปันอันนี้ค่ะ พวยพอนไม่ได้ถ้ามีบุญมันก็ถูกไม่มีบุญก็ไม่ถูกหอมีบุญอยู่แล้วค่ะอะอยู่กรับอาจารย์มีบุญทำบุญยยเยอะๆก็งัน <c ười> ทำบุญเยอะๆได้อะค่ะทำทำทำอยู่ค่ะอาจารย์ข อ, ข อ, อขพบพระคุณเจ้าค่ะโอเคคุณนงหนิงคุณหนิงอ่ะหนิงเชิญกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ ว่ายัางไงมีอะไรไหมมีคําถามค่ะพระอาจารย์อยากจะถามพระอาจารย์ว่าอย่างที่เราตอนเนี้ยสมาธิเราอาจจะได้ขั้นต้นๆเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่ะอยากจะปฏิบัติได้ถึงระดับอัปปนาสมาธิอย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นกิเลสไหมเจ้าค่ะไม่เราเป็นธรรมการอยก้าวหน้าทางธรรมอยากไดใ้ให้มันเจ้าหน้าไม่ถือว่าเป็นกิเลส เพราะมนํำไปสู่ความสงบนาไปสู่ความความสุขไม่เหมือนกับถ้าอยากว่ามันอยากรวยนียเป็นกิเลสมันจะนำามาไปสู่ความทุกข์เข้าใจหมเจ้าค่ะแล้วอย่างตอนนี้เจ้าค่ะปกตินั่งสมาธิได้ส5สิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงมากสุดก็ประมาณชั่วโมงนิดๆไม่เคยนั่งยาวๆได้ถึงสองหรือสามชั่วโมง อยากจะขอถามว่าปกติคนที่จะนั่งสมาธิไปถึงระดับอัปนาสมาธิเขาต้องใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนกว่าจะไปถึงระดับนั้นได้แล้วใช้เวลานั่งใช้ระยะเวลานา น, านแค่ไหนหมายควาะว่าอาจจะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือทั้งวันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันพูดยากเพราแต่ละคนในอดีตปชาติอาจจะอาจจะฝึกมาม า, มากน้อยไม่เท่ากันบางคนก็เคยฝึกมาม า, มาก พราก็นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตเข้าก็รวมเป็นเป็นสมาธิได้มันไม่ได้ไมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเวลาอย่างเดียวมันอยู่ที่ความชานาญที่เราไปฝึกจิตมาก่อนหรือเปล่าด้วยถ้าไปฝึกมาก่อนมันมันจะมันเคยเข้าได้แล้วมันก็จะง่ายดงั้นไม่ต้องไปกังวลข้อสาคัญก็คือให้เราฝึกสติให้มากาตัวที่จะทําให้จิตเราสงบได้ก็คือตัวสตินี ต้อฝึกสติตั้งแต่ระยำตาขึ้นมาเลยระยนตาขึ้นมาก็ทําพุทโธพุทโธไปอาบน้ําน้างหน้าแบบ่งไฟกับพุทโธไปยินข้ากับพุทโธไปถ้าทำอย่างนี้โอกาสที่จะนั่งใ น, น้นานนั่งให้สงบมันจะมีมากขึ้นไปตามลําดับขึ้นอยู่กับกำลังของสติของเราเจ้าค่ะการฝึกสตินี่คือพุทโธใช่ไหมเจ้าค่ะได้พุทโธก็ได้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ได้ ดูว่าร่างกลายลงทําอะไรอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับการทำงานของร่างกายไปให้อยู่ในปัจจุบันพุโทโธก็ได้ดูร่างกายก็ได้อย่าให้คิดอะไรอย่าให้ไปคิดเรื่องเนึงนึง น, น, นี้ให้รู้เฉย อ, เ อ, อย่าง ถ้าเกิดเรานั่งนั่งๆๆรถเฉยๆแล้วไม่ได้ขับรถเราก็คือพุทโธในใจแต่ว่าถ้าเกิดเราขับรถเราก็ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องพุทโธมีสติอยู่กับการขับรถแทนเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดขับรถแล้วเราฟังเทศพระอาจารย์อะไรอย<ม>่าง<ม>นี้ไปไ<ม>ด้วยไม่ควรฟังไม่ควรฟังไม่ควรฟังค่ ะ, ะถ้าจะฟังเทศก็นั่งเฉยๆกันอ๋อเจ้าค่ะจะได้ประโยชน์ ม, มากก่าถ้าฟังไปขับไปใจมันก็ต้องวิบแบ่งไปสองที่ ได้อย่างมากขึ้นอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอีกคําถามหนึ่งค่ะคนที่ได้สมาธิอ่ะค่ะพวกที่ได้ฌานสมาบัติมีฤทธิ์แล้วเขาก็ไปดูดวงบ้างหรือใช้สมาธิรักษาโรคเพราะคิดว่ามันเป็นการช่วยเหลือคนแบบเนี้ยถือว่าผิดทางไหมคะแล้วส่งเสริมในทางธรรมให้มากขึ้นไหมเจ้าค่ะผิดทางเพราะมันจะทําให้ติดมันจะไปต่อไม่ได้ มันจะไปทางปัญญาไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังที่จะไปมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในระดับปัญญาได้างั้น <Wow. S 1> อย่าไปทางนี้ถ้าได้สมาธติต้องให้ได้สมาธิแบบไม่มีไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเป็นสมาธิที่สงบนิ่งมีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาจากสมาธิไม่ต้องการมีมีฤทธิ์มีอหนาจที่จะไปรักษา โรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆใช่ไหมจริงๆคือมันเป็นอัตราหรือเปล่าเจ้าคะที่ว่าเขาอยากเหมือนกับว่าถ้ามีฤทธ์ก็อยากแสดงความสามารถของตัวเองให้คนยอมรับหรือว่าคือแบบรักษาโรคได้หรืออะไรมันก็ทําให้คนมานับถือเขาอย่างนี้มันเกี่ยวกับอัตราลึกๆของตัวตนไหมคะก็แล้วแต่ว่าเขาทำทำโดยเหตุผลตั้ไใด ถ้าทาให้คนอื่นเข้ามาเป็นลูกศิษย์ยกย่องสรรเสริญก็เป็นเรื่องอัตตาตัวตนแต่บางคอนอาจจะทําเพื่อไม่เพื่อทําบุญทำทาน<ต>ช่วยเหลือ <นะ S 1> เขาข อ, อยากช่วยเหลือคะอ่ะอนั่นก็แต่มันก็เป็นการเสียเวลาไปผิดเพราะงานของตัวเองยังทําไม่เสร็จน่าไปช่วยคนอื่นเพราะเขาไม่เอาตังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาคิดว่าเขาทําบุญได้นั่นแหละแต่แต่เขาไม่ได้ไปเขาจะไม่ไปวิปัสสนาต่อไงเขาก็จะติดอยู่งนั้น อ๋อเจ้าค่ะกลับขอบว่าคุณเจ้าค่ะหมดคําถามแล้วค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าเอ่าคนตายเชิญคนตายพัทยาเป็นยังไงสบายใจไหมค่ะพระอาจารย์ก็ดีขึ้นค่ะอ่าสบว่างสว่างใช้คำวมาก็ก็ดีค่ะป่วยป่วยแล้วก็หายเร็วป่วยใจแล้วก็หายเร็วค่ะพระอาจารย์อ่า เรารักษาไปเรื่อยๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะอาจารย์พยายามใช้สติใช้ปัญญาลงนานะาาาง้าความเครียดนะค่ะพอาจารย์กราบขอบพระคุณมากค่ะอ่าตาตัวอันที่เ ป, ป็นหน่อยช้ ย, ยาเนินอันนี้ไม่ได้ส่งลูกสามเข้ามาทำโทษนะมาเจ้าค่ะน้องหยูข้างล่างาข้างหลันสุดเลยะคะ่ะครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บไปปั๊บเลยจ้ะคะออ ไ, ไปเลยเลยจ้ะค่ะ เอพราจารย์เจ้าค่ะในอยากทราบว่าถ้าอย่างคือที่เข้าสมาธิได้เจ็ดแปดชั่วโมงร่างกายจะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะจะอยู่กับความว่างถูกไหมเจ้าค่ะการจิตสงบบางคนจะไม่รู้สึกอะไรบางคนอยู่สิบห้าวันก็อยู่ได้ถ้ามือสีบางคนเข้าฌ า, า, านได้สิบห้าวันกันนะเจ้าค่ะคือ<ม>ตอนที่หน่อยนั่งสมาธิอะคะ่ะคือแบบ หน่อยไม่รู้เลยว่าถ้าหน่อยเป็นแบบไหนหน่อยนั่งเรียบร้อยดีหรือเปล่าจริงๆอ่ะหน่อยจะคอยเช็คตัวเองว่านั่งเรียบร้อยดีหรือเปล่าหน้าหงายขึ้นไหมสับประโกรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงไม่ต้องตรวจดีชุดหนักมันน้เช็งเราะเราจะพอตอนเริ่มตอนนั้นตอะเริ่มต้งกระเช้าก็มันนั่งนั่งนั่งตัวตรงหรือเปล่าอะไรอยางเงพอเสร็จแล้วพอแล้วพอนาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปตามเช็คมั้ มันจะขยับบ้างมันจะงอบ้างเอ็นบ้างก็เรืเ่องของมันเลยให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับการภาวนาของเาไปค่ะเพราะว่าเข้าไปในสมาธิแล้วบางทีไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะะไม่ต้อง<ม>อตามไม่ต้องตามเช็คไม่ต้องสนใจไม่ลืมร่างกายไปเลยเวลาเริ่มภาวนาเจ้คศ า, ศาค่ะอาจารย์นะคะเนเป็นเหมือน อาจารย์ใส่ทิปไปเจ้าค่ะที่ไม่ได้สวดมนต์แล้วฝันนะเจ้าค่ะก็ <c oughs> เลยสวดบุกปันเลยนะคะเอ่าก็แล้วแต่บาทีส่สวดแล้วมันก็มันก็อยากฝันได้อยู่ก็มีมันไม่แน่หราก็สังเกตดูก็แล้วกัก น, ก น, แ, กนแต่มันไม่สําคัญนะเวลาหลับแล้วจะฝันไม่ฝันนี่มันเป็นเรื่องที่เราห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะก็มีแค่นี้เจ้าค่ะอตัวเจ้ คุณปรางว่าอะไรสีล่าจัากรามนารรัชการเจ้าป่าพระอาจาร์รายงานพระจานทร์เจ้าขาที่เคยเคยเรียนพระจารยร์ว่าจะลองหาสุสานไปนั่งอะคะ่ะเมื่อวันเสาร์วา่าพอดีตามแปนเขาไปบวชคริสล้วก็ไปทาพิธีเสกสุสานไปเช้าเลยค่ะเราไปนั่งดูค่ะสนุกดีค่ะ ไม่ไม่กลัวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านั่งนั่งตอนช่วง day time นะคะ<ม>แต่ถ้านั่งคืนอาจจะอาจจะมีแบบกลัวบ้างค่ะช่วงแรกนั่งแล้วแฟนเขายืนอยู่ไกล้ๆด้วยนั่งพิงกับหลุมศพเลยค่ะ<ม>แล้วก็เข<ม>ไปหาหลุมปูปูเขาอะค่ะแล้วมันหาไม่ค่อยเจอเพราะว่ามีเป็นพันพันหลุมก็เลยขอนั่งนั่งคนเดียวคะ่ะแล้วก็ลองนั่งสมาธิดูรู้ส<ม>ึกว่า เขหลับตาแล้วค่ะก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะก็อย<ม>ู่นกันอาทิตย์มีผมรู้สึกว่าพอนั่งวันนั้นนะคะแล้วช่วงช่วงกลางวันเดินทางมาฟังธรรมพระอาจารย์เหมือนมอันเข้าพอฟังธรรมเทศพระอาจารย์ะคะ่ะเข้าเข้าเร็วค่ะก็เดี๋ยวว่าจะหาอุายไปอีกเจค่ะแต่ว่าคงเป็นช่วงกลางวันค่ะกลางคืนยังไม่กล้าโอเค ไปเพื่อให้เราปลุกสติให้เราเกิดให้มีสติมากขึ้นว่าไาอยู่ที่ไหนกลัวในี่จิตมันจะทุกข์จะดับทุกข์นั้นก็ต้องใช้สติอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเหมือนหนูเคยไปพวกกลางกลางเต็นในป่าด้วยไหมคะมันก็เลยทำให้เหมือนเราคุ้นๆแต่ว่าอันนี้แค่แค่เปลี่ยนจากป่าไปเป็นไปเป็นสุสานมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ไม่กลัวก็ไม่สาคัญ อฝึกสติกนะจ๊ะคะ่ะค่ ะ, คะเดี๋ยวหนูก็จะทําอย่างเงี้ยคะ่ะพยายามฝึกไปเรื่อยๆคะ่ะให้ให้ทันทีแล้วคุณจะะ๊ะค่ะอไปที่ยคนขันชิดต่อขันชิดไต้หวันพร้อมกับอาจากครับอ่ามีอะไรไหมงไม่ครับวันนี้เข้ามาฝ ส, สายนะครับเพราะว่าทำงานว่าง โอเคไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็จะท่าไปเลยนะเดี๋ยวคนยังมีอย่างเดียวอาจารย์พรอาจารย์อัไที่คุณหมอสุทัตนีสเนทุมธานีท่านสการ์ท่านพระอาจารย์เจ้าข่าไม่มีคำถามค่โ okay. อเคงั้นไปที่สุราษต่อคุณก็อสุราษทธานี เมาสการครับครับอาจารย์มีอะไรไหมอา่ามันปัญหามันมีเยอะมันมีเรื่องหนักๆครับแต่ว่ามันก็ผมจะลองพิจารณาดูก่อนสักสองสาอาทิตย์ถ้าถ้าไม่ตกก็คือก็คือจะจะไม่ถามแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องแบบว่าทําร้านนะครับคือเหมือนว่าตอนนี้แบบว่าเหมือนต้องขยายร้านนะครับต้องลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยครับ ก็ใครไปบังคับให้เราขยายเลยก็ฟังคี่ใจมาหลายรอบแล้วใช่ผมฟังว่าันแล้วก็ทรมมาก็บอกว่าพอมีพอกินก็พอแล้วพอมีพอกินก็พอแล้วจะไปโลภไป ไ, ไหนจริงจริ ง, ง, งไม่ได้โลภแต่ว่าลูกค้าแบบว่าเหมือนต้องการสเปคที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็คิดว่าจะไม่เป็นหนี้ต่ ไม่เป็นหนี้เพิ่มคือคือตอนนี้ก็ไม่ได้มีหนี้แต่ว่าคือแบบจะไม่ลงทุนไปให้แบบก่อนหนี้อะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเรามีสมมุติว่าเอตุกหวยอะไรเงี้ยเราอาจจะซื้อหวยครับเอ่อมีเงินแบบว่าเราค่อยซื้อเครื่องเพิ่มอย่างเงี้ยครับเอถ้ามัน <c oughs> ถ้าถ้ามันมีเงหลือก็อยากจะเพิ่มก็เพิ่มไปแต่อย่าไปก่อนหนี้เลยมันเดี๋ยวเกิดพลาดกันมาแวสวยใช่แต่ว่าผมเห็นคนอื่น แต่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้อยากมีนี่นะแต่ว่าผมเห็นกน็เลยเขาก็แบบว่าสร้างแล้วก็นี่แต่ว่าผมคิดว่าเออผมทําแบบนี้ผมก็สบายใจผมบอกพี่ๆหลายคนที่เขาแนะนำอะไรเงี้ยว่าแบบเออน้องต้องลงทุนนะอย่างงน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็ผมก็บอกบอกพี่เขาไปว่าเออผมพอพอใจประมาณนี้อะไรเงี้ยมก็ก็เหมือนความตายมาก ครับก็ก็ก็พระอาจารย์สั่งสอนผมก็เอามาใช้ครับผมก็ <Glass> ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปตามผมคิดมาหลาเป็นอาทิตย์แล้วไปเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนสองเดือนลแล้วครับอืมตายไปก็ทิ้งหมดครับตายไปตายไปก็ทิ้งหมดอยู่ดีเออแู้วนะตายอย่างไรเนี <S 2> <S 2> ยย่ยหรือน้ำต า, ยยาไหลเนี่ยใช่ใช่ผมครับแล้วก็แล้วก็ตายกัน ไมผมเห็นคนอื่นเน่ะเขาเวลาหาเงินเน่ยเขาโลภเขาแบบว่าแบบเหมือนอยากได้อยากมีแบบหาไปเรื่อยคือเขาไม่ไม่คิดว่าจิตใจเนี่ยเราเราไม่ได้โตแต่ร่างกายคือรอยจะโตแบบทางด้านเงินแต่ว่าจิตใจแบบของเขาอไม่ได้โตด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็ไอยากแบบเอ่อมีแบบโตกับโตทางด้านจิตใจเงี้ยครับอ่าตทางด้านจิตใจก็งินไป ท, ทํบทาบุญกุศลดีกว่า พบประมาณครับแล้วก็ก็เหมือนอาทิตย์วันเสาร์อ า, าทิตย์เนี่ยก็โดนทดสอบก็แบบมีพี่เขาบอกว่าเออมีเครื่องตัวเนี้ยนะควรจะซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปก็แบบเ อ, อ่าเป็นเพจเหมือนคนนี้เขาน่าจะหลอกขายครับมีผู้ผู้เสียหายเยอะเป็นเป็นหลายคนนะครับร่วมเป็นแสนนะผมก็เสียงเงินไปนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้แบบทุกข์ใจอะไรเท่าไหร่ครับ<ม>ก็ก็เฉยๆะครับ ครับก็เรื่องสุดท้ายเรื่องลดน้ำหนักก็ตอนนี้สิบสี่วันแล้วออกพอดีเสาร์อาทิตย์ออกกินยานิดหน่อยครับมันก็เลยทาให้คุมหารลดน้อยลงตอนนี้ได้ประมาณสี่กิโลห้ากิโลแล้วมันเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกมันไม่ลงครับเดี๋ยวก็ใช้ปัญญาเยอะบางทีก็ใช้เหตุผลใช้ความคิดใช้สิ่งที่อาจารย์ได้สอนนะครับบาง ก, ก็เอามาใช้ครับมันก็ก็โอเคครับมันก็ทำต่อ คิดถึงอาหารเก่าก็าไม่คิดถึงก็เหารใหม่เดี้ยวคินถึงอาเหา็นเก่าไม่ครับมันมันก็มันก็ตัดได้ครับมันก็ตัดได้แต่ว่าเหมือนสองวันที่แล้วกินยาไปมาแต่แบบยังไม่ชินกับยาแต่ว่าเราก็แฮปปี้ดีครับเราไม่เรารู้สึกว่าอยากอาหารมันจะมีปัญญาที่อาจารย์สอนที่อาจารย์เทศทุกวันอะไรเงี้ยมัน ก, ก็ก็มาสอนได้ประมาณนึ้นครับ <Okay. S 2> ครับครเท่านี้ครับอา่าจ้วยสาธุครับ เดงชายแปดสี่ศูนแปดศูนย์หกชายแปดสี่ศูนย์แปดูนย์หกได้ยินไหมให้ค hey, ิวไรไว้วนวนถึงคิวแล้วหมดหม่ได้แล้วแต่ว่ายังไงแลมสัการ์แล้วมาักการครับมาสักการ์ว้าาาาาาาาาาาาาา พูดบอกวันเวันเสาร์นี้เออ่ผมจะไปแข่งเทนนิสแล้วผมก็จะไปขอพรพราจังก่อนที่วันหยุดพระจะมีอะไรแนะนำนะครับออะไรแนะนําเรื่องอะไร่ะแข่งเทนนิสแข่งเทนนิสครับเล่นเทนนิเด้อวันเสาร์วันเสาร์นี้ครับก็ตั้งใจเล่นเลยตั้งใจเล่น เล่นด้วยสติใหม้มีสติเวลาเล่นก็อย่ดูแต่ลูกอย่างเดียวอย่าไปสนใจอย่างอื่นเขาตีมาแล้วก็ตีกลับไปถ้าเราไปสนใจแล้วเ ง, งื่อนเดียวตีไม่ถูกลูกนะต้องมีสตินะถ้าอยากจะชนะต้องมีสติบคสโอเคอโหน่ามาสักการะครัามีอะไรั้ย อาจารย์มีอะไรแนะนำไหมคะก็มีสติไงทำอะไรให้มีสติไว้แล้วทุกอย่างจะดีเนะพุทโธไปพุทโธไปเอาใจนะโอเคเอาทางนี้ก่อนนะอ่าสาดุอ่าปฏิกรริตากรริตาเชิญ น้องกับนมรมการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ได้เจอพระอาจารย์นานแล้วที่เคยลาพระอาจารย์ไปพอดีวันนี้เข้ามาสายเพราะไปโรงพยาบาลกับคุณแม่มาพระอาจารย์สบายดีไหมเจ้าค่ะ่สบายดีจ้ะมีอะไรนะลูกไปฝึกสมาธิมาแล้วเจ้าค่ะทีนี้สงสัยว่าคือพอทําสมาธิตอนแรกที่มันจะมี อ, มอารมณ์หยาบๆฟุ้งๆก็จะพุโทโธรไปก่อนแต่ว่าแล้ว จะ้ว่ามันหนักเจ้าค่ก็พอพ อ, พอจิตเริ่มไม่คิดทุ้งซ่าแล้วก็จะหยุดพุทโธแล้วก็อยู่กับลมเพราะว่าอยากฝึกอานาปาณสติแล้วก็พอฝึกฝึกไปแล้วมันจะมีเหมือนภาพในหัวเจ้าค่แต่ว่าแล้ช่วงที่มีภาพปุ๊บสติมันก็จะดูที่อยู่กับลมมันก็จะอ่อนลงแล้วพอไปเห็นภาพปึ๊บภาพมันก็ดับ แต่มันก็จะมีภาพบางทีก็มีเสียงโต้ตอบกับสังขารของเราเหมือนกันแต่พอมีสติไปรู้ตรงสังขารตรงนั้นปุ๊บมันก็จะหมดไปอ่ะแล้วมันจะหยุดแล้วมันก็จะหมดทีนี้ได้สงสัยว่าไอ้ภาพนี้มันคืออะไรเหรอจะพอมันเป็นนิมิตหรือเป็นจิตตสังขารหรือว่าเป็นไม่ใช่ฝันใช่ไหมมันเป็นมันเป็นตายรักพิจารนาเป็นตายรักไปไม่ต้องไปสนใจมันอ๋อเจ้าค่ะแล้วทีนี้ มันเวลาที่สติอ่อนลงนี่มันมันเป็นนิมิตในผวังไหมเจ้าคะที่เราเห็นนะเจ้าคะมันจะไปสนใจให้ถ้าสติอ่อนก็นรีบกลับมาสร้างสติต่อไปอ๋อแล้วต้องการความว่างถ้ามีสติใจก็จะว่างพอไม่มีสติ อ, อะไรต่างๆก็จะผล่ขึ้นมาเหมือ น, อนพอน้ำรดต่อก็โผล่ขึ้นมาทีนี้ลูกเหมือนมันมี มันมีตัวเราที่รู้ขึ้นมาข้างบนภาพในศีสันแล้วค่ะตัวตัวเราที่รู้มันจะอยู่ประมาณไม่เชิงว่าอกอะค่ะอันนี้นี่เรียกว่าติดผู้รู้ตั้งมั่นไหมเจ้าคะไม่ต้องไปสนใจนะให้ให้จิตว่างถ้ายังไม่ว่างก็ยังไม่ตั้งมั่นอ๋อ ไ, ไม่มีอะไรเลยให้ศัตรว์ต่ว่ารู้เฉยๆไปแล้วเราวลูกก็เลยทวนย้อนเข้ามาไอ้ตรงผู้ดูตรงนี้เจ้าค่ะแล้วมันเหมือนกับ อย่าไปโทนอย่าไปย้อนไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพูดโธอย่างเดียวรืออยู่กับลมอย่างเดียวอ๋อเจ้าค่ะอันนี้ยังไม่เป็นอับปนาใช่ไหมเจ้าค่ะยังยังต้องอยู่กับลมไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันหึงจะเป็นอับปนานะเจ้าค่ะอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งลมอย่าไปอย่าไปทําอย่างอื่นนะนั่งสมาธิให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะ หมดหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคครับน้องก่าขอบพระคุณพรนะอาจารย์ครับไปที่กป็นหอหน้าทวุฒิเชิญเป็นหมอหายไปหลายวันไม่ว่างครับติดแนะ่ภาร ก, กิจหลายอย่างนี่ถึงครับอือตนกิเลสดึงไปเยอะครับอือเพราะทางโลกก็อย่างนี้อยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ของมันมันก็ดูดออกไป ใช่ครับยิ่งยิ่งทางโลกยิ่งจะเล่นทักษะทำก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆครับอืศึกประหลักหลักหลักเริ่มห่างไปครับฮะลองพยายามหนึงตัวแล้วออกมาจากทางโลกบ้างมาอย่างนนบ้างใช่ครับใช่ครับฮะกะว่าปีหน้าครับเห็นใครฟังท่านว่าไอ้กิเลสหลอกเราเราต้องเลิกกิเลสบ้างก็เลยว่าเห็นคณะก็มีให้บวชได้สามเดือนนะผมว่าไม่งั้นก็ไม่ได้ทําอะไรสักทีก็เลยว่า่จะดีเราจะลองบวชจะลองอีกสักรอบนะครับ ถ <Okay. S 2> ้าถ้าล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าได้ครั บ, บไม่รู้ท่าจะดีไหมครับผมว่าเพราะผมดูแล้วไม่น่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่น่าทําได้ครับอืก็จะห่างห่างจากหลักไปเรื่อยๆครับไ อ, อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับอดูบทชได้ก็ดีแต่ว่าถ้าจะบวชที่นี่มันอาจจะไม่เขาจะไม่ไปเอื้อมกับการปฏิบัติทั้งหลาก็อยากจะให้เราไปเรียนก่อนอืมครับอ่ะ มันก็มันได้เป็นจริงสิ่งที่เราต้องการครับแล้วก็มาอยู่แบบเป็นคารวาสก็ได้บบคุณสมบัติเนี่ยก็อยู่ทั้งหมดนะครับครับค <นะ S 2> รับเดือนเดืนหนึ่งเขาลาจากบ่านสองสามวันครับมาแต่เขาก็อยู่หมองเขาอย่างเงี้ยเขาปฏิบัติขางนอกครับถือศีลแปดก็ได้เหมือนกันถ้ า, าต้องการปฏิบัติที่บนเขานะครับนตถ้าเป็นผ้านี่จะจ ะ, จะถูกเบรคจะถูกสกัดแม่ขึ้นเขาครับครับ ครับครับมาครับวันตรงเรียนหนังสื้อก่อนต้องอะไรก่อนครับต้องสวนบวชก่อนอะไรครับจะไปทางนั้นกันครับน<อ>กากจากนอกจากไปบวชที่อื่นที่เป็นวัดปฏิบัติก็าไปบวชที่อื่นได้ก็ไปครับครับเพราะถ้าทางคณะให้ลาเนี่ยอาจจะเป็นคารวะอาจจะไม่ได้แต่เคยคิดอยู่ว่าอออยากจะออกมาแบบพี่สมบัติแล้วแต่มันก็มีนน่นมีนี่ดึงตลอด ก็เลยมันก็นเลยแบบดึงกันอยู่เนีน่ยฮะยิง่งอายุเยอะยิย่งอาวุโสก็ยิง่งปารกิจทั้งโลกก็ยิง่งลังไม่เต็มไปหมดเลยออแล้วผมก็เหนกับผมก็ดูหลักแล้วผมก็ดูเอ๊ยมันไม่ใช่และมันหางไม่ได้เลยต้องต้องหาวิธีครับะอ ค, ครับด <c oughs> เดี๋ยวผมลองลองค่อยค่อยคิดเดี๋ยวว่าคิดว่าคิดว่ามันไมถูกทาง ใช่ครับปัญหาว่าที่เราสามารถปฏิบัติได้ครับแตยากส่วนใหญ่เขาจะก็จะจับไปทํานู่นทำนี่ซะส่วนใหญ่กันใช่ครับูแลเขาเท่าที่เคยปฏิบัติตอนนั้นเดือนหนึ่งนี้ไปได้เยอะเลยฮะพอออกมาก็หายไปรู้สึกยังอย่างที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีครับเหมาะกับไม่ต้องทํำอะไรเดอนจงกรมนั่งสมาธิ ปฏิบัติอย่างเดียวครับอันนั้นหายากที่จะมีอย่างนี้ส่วนที่อื่ก็ต้องไปไปไหว้พระส่วนนอนนั่งครับใช่ครับมันจะไม่ตรงกับไอ้เวลาที่เราต้องการอยากไปทําคครรัับบแล้วเดี๋ยวค่อยๆหาวิธีวางแผนไปก็แล้วกันครับมาครับแต่ดูทางก็เท่าที่ดูก็ไม่ไม่ไม่ถูกทางแน่ครับแล้วจริงงานนี้ไปนู่นไปนี่อะไรเยอะไปหมดแต่ว่ามันก็เป็นการเจริญทางโลกแต่ผมว่ามมันผิดทาง มันไกลแจากทางที่เราเป้าที่เราปกตั้งไว้ทางโลกมันไปสู่ความทุกข์เพราะมันเป็นตายรักทางโลกครับครับะแต่ถ้าจะมองจากทางโลกมันก็ดีมันก็แบบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางที่เราต้องการมันก็เอมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้รับยศเสด็จทั้งหลายครับเดี๋ยวต้องครับ แนต้อครับเดยนนี้ผมไปติดต้องเดินทางอีกนออาจจะเดียวทานวานไปกลับมาเมื่อไรก็มาครับเดินเดินทันวาเข้าไปครับเดนนี้ยังยังมีหลายภารกิจเลยใครับเนี่ยสาธุเนี่ยครับคุณจอยจอยก่อนเป็นไงจอยขายของอยู่หรือเปล่าขายค่ะขายทุกวัน อ๋อวันนี้หนูไปปล่อยปลามาด้วยค่ะอ่าดีแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาไปลอนกอ่าแล้วก็แรกหนูจะให้ฟ้าจันไว้พรเพราะพี่สาวคือลอตเตอรี่ให้เขอพึ่งที้ถูกลอตอรี่อ่าอย่าไม่หวังเลยเขาบอกว่าถ้าถูกล้วแบ่งกันคนละครึ่งก็โอเคเวลาก่อนถูกก็พูดได้เงี้ยพอพูดแล้วพอถูกก็เลยมไปเขารับประกันนะค่ะ หนูก็นั่งสมาธิตอนเช้าตอนก็คือหนูนั่งไม่ได้มันม่วงแต่เช้าหนูนั่งพอได้อยู่ค่ะอย่าไปหวังมันถ้ามันจะถูกมันถูกเองถ้าไม่ถูกก็เชื่อหัวมันนะค่ะไม่หวังค่ะเดี๋ยวไม่ถูกจะเสียใจค่ะหนูไปใส่บาตรมันได้่ะมันผโอเคเอออย่างนี้เอาเอาจบไว้บุญดีกว่าถูกแน่ทำบุญแล้วไปสวรรค์แน่นะารับประกันได้ฮะปลอดภัยค่ะโอเค ค่ะคนเองต่าคนอเ อ, นอเนงอาจารย์คนเองพูดได้เลยได้ยินไหมคะพระอาจาร ย, ไย์ได้ยินได้ค่ะก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆคะ่ะพระอาจารย์ที่จะดีขึ้นนะคะในเรื่องในเรื่องของใจคะ่ะพระอาจารย์อแล้วอีกสิ่งหนึ่งคือคือได้อยู่กับคนเค แล้วก็กับเด็กเยอะนะคะพระอาจารย์ดูได้ยินเป็นเป็นสังการการเปลีป่ยนแปลงอย่างเด็กไปสูค่คนแก่คือมีสี่เจเนอเรชั่นเดยอยู่ที่นี่นะคะพระอาจารย์<ม>ครบหมดเลยจนถึงเก้าสิบปี<ม>พวกนี้ก็พ่อไปหาหมอพ่อเป็นทพ่อสามีนะคะก็แม่สามีกเราก็ดูแลนะคะแล้วก็แม่แม่ของตัวเองด้วยนะคะเพิ่งคุยเพิ่งคุยแล้วก็ รู้เลยว่าอ่ะโอเคแม่ดีขึ้นตั้งแต่ทรงเอวิทยุแล้วก็แปะใจของพระอาจารย์ไปให้แม่ฟังท่า mm hmm. นก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจปล่อยวางในเรื่องของการห่วงลูกนะคะพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หนูนะคะพระอาจารย์เพราะว่าก็บอกว่าเขาไม่ค่อยห่วงอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์ที่ทําให้เรารู้ในเรื่องของของจิตใจของเรามากยิ่งขึ้นแต่ก่อนก็ยัง พอว้าวุ่นอยู่หลายเรื่องแล้วก็มีในเรื่องของธุธรกิจแล้วก็การทํางานนะครับเพราะว่าทํางานหลายอย่างทั้งสอนธุรกิจด้วยแล้วก็ต้องดูแลนคนด้วยแต่พอเราเข้ามาณนะตรงนี้ ท, ที่หนูได้ว่าศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติฟังพระอาจารย์บ่อยๆหนูเข้าใจเลยว่าการที่เราจะต้องทําอะไรอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะได้กับตัวของเราเองครับพระอาจารย์ทําให้นิ่งขึ้น แล้วก็พอมาสวดมนต์แล้วพระอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิโตก็คือไปโตได้ครับพระอาจารย์ตอนแรกก็ยังไม่ได้แต่อันนี้เริ่มที่จะเข้าไปง่ายขึ้นครับพระอาจารย์แล้วก็รู้ว่าอ๋อสงบมากยิ่งขึ้นแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจว่าจะไปถึงดิฟไปถึงขนาดไหนเนี่ยครับพระอาจารย์แต่ค่อยๆปฏิบัติไปนะคะพระอาจารย์ว่าไปเทละเก้าว่าไปเทละเก้าอ่าก็เลยรู้เลยว่าแต่ ตอนที่คุยกับพระอาจารย์ในเรื่องของใจรู้เลยว่ามันเหมือนลิงแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะโอเค ม, มากข<ม>ึ้นค่ะพระอาจารย์ไมีเชื่องมันมันได้ไห ม, มได้บ้างได้บ้างคับพระอาจารย์<ม>หลุดบ้างได้บ้างตั้งแต่ตื่นนอนก็พยายามจะพูดโทรอย่างเดียวเลยผู<ม>บ้างหรืออะไรบ้างก็คือแบบพูดโธพูดโท ร, โทรแต่ก็หลุดค่ะพระอาจารย์รู้เลยว่า ไม่ใช่ธรรมดานะคะพระอาจารย์<ม> ใ, นรในเรื่องของใจเรื่องของกิเลสในตัวตนของของตัวเองนี่แหละค่ะมันมันมันหนักถ้าเราพยายาม ต, ต่อไปเราก็นชนะมันเองค่าพระอาจารย์ก็เลยว่าโอ้เราไม่ต้องไปส่งใครเลยส่งตัวเราเองเนี่ยดีสุดแล้วค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เลยเริ่มโฟกัสมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อตัวเองก็เริ่มชัด ม, มากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์<ม>ในในเรื่องของใจหนูก็เลยโอเคจับ ปฏิบัติต่อไปอะค่ะพระอาจารย์อันนี้มามือที่ถูกทางแล้วใช่ไหมครับถ้ามาเพื่อความสงบของใจถูกทางะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจในเรื่องของสังขารมากยิ่งขึ้นคะพิจารณาว่าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นข้อความเจ็บปวดเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คือต้องทนกับสังขารนี้จริงๆอะค่ะพระอาจารย์ มันมันเป็นกิเลสไหมคะที่อาจารย์ที่หูคิดว่าโอ้ยหนูไม่ขออยู่ถึงขนาดนี้หรอหนูขอตายดีกว่าหนูคิดอย่างนี้ถ้าอยากตายก็ผิดก็เป็นกิเลสอยากอยู่ก็เผิดต้องเฉยเฉยปล่อยมันไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่เราอย่าไปอยากอยู่อยากตายก็แล้วกันอ๋อค่ะพอาจารย์ก็คือว่าเฉยเฉยเลยใช่ไหมคะอมันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่างนี้ไม่เป็นกิเลส อ๋อคือคือเราเห็นแบบนี้แล้วทําให้เราคิดว่าเราไม่อยากอยู่เนี่ยก็เป็นกิเลสนะคะใช่ไมคะอาจรับอ่าใช่ถ้าไม่ อ, อยากอยู่มันก็จะทําทให้เราทุกข์แค่ไหมค่ะอ่าเนงเมื่มันยังอยู่ก็ต้องอยู่ประมาณไปอ๋อค่ะอโอเคค่ะพระอาจารย์ถ้า ง, งั้นเนี่ยเราก็อ๋อจะเฉยๆแล้วเพราะว่าพ อ, อมันมันเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะมาถึงขนาดนี้นะคะเก้าสิบแปดสิบกว่า เม่ก็เออก็ข้าหน้าอยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะมาเจอแบบนี้ข้าวหน้าก็อย่าอยากลับมาเกิดไม่ค่ะพระอาจารย์หนูบอกเลยหนูจิตหนูบอกว่าทุกเช้าหนูหนูไม่เอาแล้วหนูมไม่อยากเกิดหนูอบอกว่าไม่อยากให้หนูหนูไม่อยากเกิดเลยจริงๆครับพระอาจารย์เนี่นั่นคือกข้าวเข้าใจแต่ว่าจะไปแบบไหนก็จะค่อยๆไปค่ะพระอาจารย์ทําสมาธิไปหยุดความอย่างแล้วมันก็จะไม่กลับมาเกิดอี้ เอค่ะาพระอาจารย์ถัดหนูก็จะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคบพระอาจารย์ทีละขั้นเหมือนที่พระอาจารย์บอกครับอ่าสาธุจ้ะอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์สาธุอ่าสาธุค่ะพระอาจารย์ว้าเล่นอ่าสาธุจ้ะว้าเล่นอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยว้าเล่นก็กลับมาบ้านละโอ้ยเกี่ย ว, ตวนะโตครับเกี่ยวดโตนะเมือนเก่าเนี่ยเนะมือนเก่า เมืองเก่าครับแต่ว่าถัดในช่วงในส่วนถ้ที่ท่องเที่ยวพวกหัวทองเยอะกว่าญี่ปุ่นอีกครับคนหัวทองเยอะหัวทองหัวทองหวองัหวทองเยอะในในที่ท่องเที่ยวครับกะหนังเยอะครับก็เมืองเก่าครับแต่ว่ามันก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็ก็เนี่ยต้ วัดมีวัดเยอะมีวัดโบราณเยอะเลยมันเป็นวัดมันเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์แบบเข้าไปแล้วก็แบบพิธีกรรมของศาสนาเขาอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ศาสนาพุทธแบบไทยอครับก็จะเป็นมหายานหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอืก็เข้ามาเติมพลังครับก็แบบไม่ให้ลืมตัวครับเพราะว่าใช้ชีวิต ท, ทางโลกมันจะลืมตัวลืมตัวบ่อยๆเข้าไปในเออแล้ว เรื่อส ต, ติได้ดีก็ถึงแม้จะไม่ได้พูดคุยโดยตรงแต่ก็ความคำถามของท่านอื่นก็ตอบเป็นกำลังใจให้กับผมได้ดีมากครับหลวงพ่อโอเคดีอาจารน์อาจารย์ก่อนนะมีอะไรไหมก็ก็กกเออคิดถึงหลวงพ่อเหมือนเดิมครับหลวงพอ่อก็จะคิดถึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลวงพ่อนั่นอพอจะได้ชื่นใจคินดีพระพุทธเจ้านีครับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อาธุ ไปที่คุจีจิบปัดกล้องแม่จิบได้ยินบรือป่าจิบมีแต่ภาพนึ่งพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวสักครูนยงยง่น่ะยมยมกำลังล็อกเข้ามาไม่เป็นไราม่เป็นไรไได้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวะโอเคค่ะพระอาจารย์มสักครัาจา <And> yeah, ยมยุ่งมากเลยวันนี้ fit, ออฟฟิศเขาเพิ่งทาสีใหม่ค่ะแล้ว uh, วันนี้เขาเพิ่งให้ย้ายกลับเข้ามาครั้งวันแรกยมก็แบบพอดีเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงเขาเอาของแบบแพ็คลงกล่องแล้วมันถ่ายกระจัดกระจายยมก็มัวแต่ ง, งมหาวันาอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยแบบขอขอประทานโทษค่ะที่แบบบางทีปิดหนะ้าจอเพราะต้องเดินไปเดินมาเยอะค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะ yeah, สบายดีจ้ะ yeah. ค่ะวันนี้สลินทอนฝากกลับนามัสการพระอาจารย์ด้วยค่ะพอดีทั้ง ยมแล้วเขาก็กับบริษัทยมกับบริษัทเขาของเขานี่มีคนเข้ามาประชุมที่บริษัทเขาก็เลยไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ<ม>ของยมของยมค่ะเขาก็ฝากบอกว่ากาบระลึก ถ, ถึงพระอาจารย์เสมอนะคะต้องขอโทษด้วยที่เขาไม่สามารถเข้ามาได้ไว้ไแต่ก็ระลึก ถ, ถึงอาจารย์พระอาจารย์ตลอดค่ะยมก็ไม่มีอะไรยมจะบอกว่าวันอาทิตย์ที่แล้วยมบอกพระอาจารย์ว่ายมอดอดข้าวกินดื่มน้ำสามวันโยมทําได้นะคะพระอาจารย์อ่าดีไหม อก็ก็รู้สึกหัวหวงเวงเวงพอดีทำต่อไปเลยถ้ามันดีก็ทำต่อไปพอทานไปพอเริ่มมาทานอาหารคําแรกมันรู้สึกแบบดีมาก็้ำมันกินมันมันเปนแปลกไปค่ะเหมือนพอเรากลับมากินเนื้อสัตว์มันเหมือนมันสับสามากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะพอาจารย์ไม่ทราบ ว, ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยแบบแล้วมันก็ดูท้องอืดหรือแบบกินได้ทีละนิดทีละนิดอะค่ะพระอาจารย์อืม แต่ ก, ตก็ตอนแรกเราแบบพออดไปวันแรกอุ้ยวางแผนนี่เลยเดี๋ยวพอเลิกปุ๊บจะกินอะไรไปกินอะไพอ <c oughs> ถึงเวลาปุ๊บมันไม่ค่อยอยากอะไรเลยค่ะอาจารย์ใช่พอมันอดมาสามวันแล้วมันก็เลยรู้นนส <c oughs> ึกติดนิสัยใช่ค่ะโยมก็เลยไม่แบบรู้สึกแบบ โ, โ ห, หละละเหมือนที่คนทุกคนบอกว่ารู้สึกเทิดทูนแล้วก็ลาพัสกุธเจ้าแล้วก็ เผ่าแม่ครูบาจาแล้วก็พระอาจารย์นะคะเพราะว่าการที่จะต้องแบบบังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบไม่แน่ยอยู่ในแบบกฎข้อบังคับหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่ง่ายเลยอะคะ่ะโยมก็กับนมันสการพระอาจารย์แล้วก็ขอสักการะในบุญบารมีของพระอาจารย์นะคะอ่าสาธุจ้าขอพระอาจารยท่านแข็งแรงแวันนี้โยมไม่มีอะไรมาอ่าโอเคมาแล้วไปไปไปด้ไปกุหลาต่อกุหลาบเดี๋ก้าวนาที มีคำถามทั้งหมด8คำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าคะ่ะคำถา ม, มแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกสาวอายุ12ปีฟังธรรมของพระอาจารย์มาหลายปีอยู่ๆก็ถามขึ้นว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันมันคืออะไรหมายความว่าอย่างไรและมีวิธีทำอย่างไรเขาได้ยินคำสอนนี้มานานและบ่อยมากกลาบขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าคะ่ะ ก็ให้ใจอยู่กับร่างกายร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธเนี่ยก็แสดงว่าอยู่ปัจจุบันถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงัรงนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าไม่อยู่ปัจจุบันดังนั้าอยาให้ใจอยู่ปัจจุบันเนี่ต้องมีอะไรถึงใจไว้มีร่างกายหรือมีพุโทโธพุโทโธมีสามคำถามจากคุณสุค่ะ ดิฉันเคยมีความทุกข์ใจเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ถูกผู้อื่นตำหนดิดิฉันมีสติและรับรู้ได้ว่าตัวรู้เผชิญหน้ากับความร้อนหรือความทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วความร้อนนั้นก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหานั้นอีกคำถามข้อที่หนึ่งไม่ทราบว่าการหยุดทุกข์โดยมีสติรับรู้แบบนี้เป็นทางที่ถูกไหมคะ ก็เป็นจุดเึ้นทางคือมันจะระงับได้เป็นพักๆไปมันจะยังไม่สามารถระงับแบบท้าวรได้ต้องใช้ปัญญาถึงจะระงับต่อความทุกข์ได้อย่างท้าวรนคถามข้อที่สองการปฏิบัติอย่างนี้สามารถนาไปใช้กับทุกอื่นๆที่หนักหนากว่านี้เช่นความตายได้ไหมคะหรือใจจะต้องเป็นอุเบกขาตลอดเวลาก่อนคะ ก็ถ้าเป็นก่อนได้ก็จะง่ายถ้าไม่ไม่เป็นโนเบลคา้าตอนนั้นก็อาจจะยากหน่อยพยายามฝึกให้ใจมีโนเบลค้าตลอดเวลาคำถามข้อที่สามอยากทราบว่าที่ปฏิบัติแบบนี้เรียกว่ามีสติอยู่กับฐานอะไรคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็มีสติรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ไปตอบโต้เวลาเกิดเหตุการณ์เราก็ทำใจเฉยๆไป มีสองคำถามจากคุณธีรภูมิค่ะคำถามแรกกราบนำ้ำมสการพระอาจารย์ครับแต่ละคนมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันและบําเพ็ญมาต่างกันแต่เมื่อถึงเวลาวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ละคนควรจะตั้งจิตไวแตกต่างกันอย่างไรเพื่อไม่ให้จิตแสบสายครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างโดยยกตัวอย่างประกอบจากเป็นพระคุณยิ่งครับ แต่ละคนก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรมมาเมื่อถึงเวลาที่จะตายสิ่งที่เราได้ฝึกฝนอบรมมามันก็จะทําหน้าที่โดยอัตโนมัติต่อไปถ้าเราเคยฝึกพุโทโธพุโทโธมาตลอดเวลาเวลาเราตายจิตมันก็จะพุโทโธพุโทโธทําให้จิตเราสงบถ้าเราเคยมรเจริญมอร น, นุสติคิดถึงความตายยอมตายพอถึงเวลามันก็จะยอมตายนี่นะอยู่ที่การฝึกว่าเราฝึกมาแบบไหน คนถามข้อที่สองถามเรื่องสภาวะจิตที่รวมลงเป็นสมาธิครับเวลานั่งสมาธิบางครั้งจิตรวมลงเหลือแต่ตัวรู้ประมาณสองชั่วโมงแต่บางครั้งจิตสงบลงแต่ยังสามารถรับรู้และปล่อยวางวางอุเบกขากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในได้ประมาณห6ชั่วโมงจึงขอสอบถามว่าสภาวะของจิต ในขณะที่รวมลงแล้วอาจจะมีสภาวะที่แตกต่างกันได้ในหลายลักษณะใช่ไหมครับกราบขอบพระคุณครับได้โดยทั่วมันดีสงบแล้วแต่ยังรับรู้เรื่องอยายตะนะอยู่ก็ได้ ม, มันดีสงบนั้นก็ไม่รับรู้อะไรเลยก็ได้คําถามสุดท้ายจากคุณวาสนาเออมีอีกสองคำถามเจ้าคะ่ะคําถามจากคุณวาสนาน้อมกราบขอโอกาสครับ กระผมเคยไปขูดหินปูนเหมือนเขาเอารถบดถนนมาวิ่งในปากครับกลับมาบ้านไม่มียาทานจำได้ว่าทุกขมหาทุกขครับหมอบอกให้กลับไปผ่าฟันคุดที่งอกผิดรูปอีกผมไม่คิดจะกลับไปแล้วครับแบบนี้กระผมจะผิดในเรื่องของการดูแลตอบแทนคุณของร่างกายไหมครับน้อมกราบขอบพระคุณครับ ก็อยู่ที่เราเราจะรักษามันก็ได้ไม่รักษามันก็ได้รักษามันมันก็จะทำคุณประโยชน์ให้เราต่อไป้าไม่รักษามันก็อาจจะไม่สามารถทาคุณประโยชน์ให้กับเราต่อไปได้ก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจอาว่าเราจะเอาอย่างไรหมดแล้วใช่ไหมมีอีกคําถามหนึ่งเจ่าค่ะคาถามจากคุณก้องกระผมมีพ่อแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่กระผมเล็กๆมาตอนนี้ ได้พบแต่ไม่สนิทกันใกล้วันพ่อแล้วถ้ากระผมไม่ไปพบพ่อกระผมจะถือว่าบาปในการกระทานี้หรือไม่เพราะอีกอย่างไม่อยากไปรบกวนในครอบครัวใหม่ของคุณพ่อครับมันก็มันเรื่องของการไม่มีความกระตันอยู่ก็ได้ไม่นำลกถึงคุณของพ่อก็ได้ม่มีโอกาสในวาระที่ควรจะไปก็ควรจะไปเพื่อเราจะได้ แสดงความปั่นอยู่ว่าเราลำนึกถึงพ่อขุนของท่านที่ให้เราที่ให้กําเนิดเรามาถ้าไม่มีพ่อเราก็เกิดมาไม่ได้ดังนันถ้าเรามีโอกาสไปได้ก็ควรจะไปแต่ถ้าไม่ไปก็ ก, ก็เพลงเดียไม่ได้แสดงความปั่นอยู่เท่านั้นเองอา<ม>จารย์ ม, มีมีคําถามใหม่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคําถามจากคุณการ ขอสอบถามครับพระอาจารย์ในกรณีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้คือมีคนหนึ่งที่มีนิมิตพิสดารเห็นบุพกรรมในอดีตชาติของคนอื่นว่าเคยทำกรรมอะไรที่ส่งผลให้เป็นโลกเวรโลกกรรมแล้วให้ไปขอขมาเฉพาะเจาะจงกับผู้นั้นเพื่อให้อโหสิกรรมกันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ เราไม่รู้เหมือนกันเรื่องของคนอื่นเราไม่สามารถตอบแทนได้นะคุณถามหมดแล้วส่งหมดแล้วนะก็เวลาก็หมดพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะ